กิเลนึงมนไม่มีมันมีแค่สามตัวเท่านั้นบางคณะมีกี่ล้านกี่พันล้านกิเลสแค่ตัวมันก็อหัวใจได้ไวหมดเลคนในโลกนี้มีกี่พันล้านคนี่ข้ามตั้งมากิเลสสามตัวนี้เลสามโลกความโควา ม, ม, า ม, มแต่แล้วตายกิเลนก็แพ่ทัวทำตัวเดียวคทำคเดียวของมุติ้จจา อย่างอื่นแล้วมันไม่มันไม่มันไม่มไมมไมมไม่แพ้มีธรรมะของพระเจ้าเพีงนเดียวท่านั้นที่ปรากุหตามตัวไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกแล้วก็ปรากรดเป็นกองทับธรรมตามนหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้่าวก็ประกาศสองพระธรรมก็มีผู้คือมีสุิุัญญาสามารถ นำเอาไปปฏิบัติเอาไปทำลายทีเลยียวคโลกปวดหลงที่มีเรื่องิตให้หมดไปได้ประ ก, กายเป็นพระอาหาันตับปลาวกขึ้นมาเป็นจานวนมากมายระยะเจ็ดเดือนแรกก็มีอย่างน้อยหนึ่งันสอ้ห้าสิบลูกับจรว้วันเิ็นเดินศพแล้วส่งประกาศพรประกาศข้แรกวันเป็นเดือนแต่ พออีกเดเดือนตามมาเป็นวันเพ็เดือนสามก็เป็นวันมาฆาติสาวันที่มีท่าหันตากเัาวหลูกมาจากพิทามต่างๆโดยไล่ได้นัำหมายก่อนมากนาการพุทธเจ้าเป็นชั้งเดียวในตระกตาของวพ่อพุทธศาสนาเข้าใจว่าในแต่ จาจะรับพุทธการใในแต่ละพุทศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีวันวันอย่างนี้ปรากฏขึ้นอย่างครั้งเดียวแล้วก็มีจนวนมากน้อยต่างกันเช่นอยู่บพบาพระบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บางสมัยก็มีมากกว่า 1,250 เดืนบาง ส, สมัยก็มีน้อยกว่า เพราะเพราะว่าเ ร, ร, ร, รมีสองพระพุทธเจ้าแต่พระองค์มีความสามารถมีสติธรรมญาที่จะปลูกฝังศาสนาให้อยู่จเจริญได้ต่างกันศาสนาจึงมีอายุาาต่างกันไปแต่เช่วงอายุของศาสนาของแต่ศาสนาเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ช่วงที่ว่างเล่นจากศาสนานี้ เป็นเวลาที่ห่างกันกันลิบมายถึงน่าเร่งของเรานี่ห้าพันปีพอหมดห้า0ันปีเแล้วก็เป็นกลับก่อจจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาตับสรุมาสอนกับเรื่องเป็นกลับเป็นการคำว่ากลับว่าการนี้หมายถึงระยะเวลาที่ยาวนานที่เราไม่สามารถใช้ ใ, ใช้หมทเลขยับทำได้ทำเกียรที่เราไวา้ว่าเหมือนกับทุกร้อยปีให้เอาผ้าไปรูบภูเขาฮิมารันหนครั้งให้ทำนี้ทุกร้อยปีก็จะลูบหนึ่งครั้งจนกว่าการรูบนี้จะทำให้ภูเขาฮิมารันร็จลาบลงมาเข้ากับพื้นดิน ก็คิดว่าจะใช้เวลาานขนานั้นเวาเรานั่งนั่งนั่งูงงอยู่ทุกวันทุกวันเวลามันยังไม่สบเเราทุกปีมามาราัานแทางอ่งนีมันก็เราไม่สิหรอก็ต้องใช้เวลานานยาวานังนั้นการที่เราได้มาเกิด การย้อนกลันมาเป็นพนระพุทธศาสนาในชาตินี้ต้องถือว่าเป็นเป็นโชคปาสนาเป็นจังหวะที่ดีมากจะไม่มีอย่างง่ายงายเพราะการมาเกิดจำนวนลดแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นเป่งปีงายถ้าจะแล้วนี่ยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมดุถ้าไม่ได้บำเพ็ญบุญบางนี้ไว ทำไมจะได้รับพลังานมาในบางทีกเกิดเป็นเทวดาซะก่อนก็อาจจะหมดเวลาไปหลายทันตีเป็นเวดาอาจจะกลับมาเกิดเนนุษใหม่เพราะพุทธศาสนานาดก็หาใจจากโลกมต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาที่จะสอนตัวเราเองให้รู้จกักเุทธี ที่จะทำาจกของเราให้รุ่คเรงเราก็ยังจะต้องหลงใปกับกระแสของทางโลกทางโลกเขาไม่ยอมที่งชมอะไรเราก็จะไม่ยอมทิ้งชมตามพวกเขายกเว้นว่าถ้าจิดเราได้บรรลุพระอริยทำพระอริยบุคคลขั้นรกคือเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ากับว่าคว่าโสดานี้ท่านแปลว่ากระแสโสดาบันเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงกระแสแห่งพระลิขิต ใด้ได้เข้าสกระแสแลาภทีนี้ก็ไม่ต้องมีภาระสอนก็ไดตัวเองสามารถไหวไปตามกระแสนั้นสามารถปฏิบัติไปตามสติปัญญาของตนที่ได้มีมีไว้สามารถแค่เข้ว่ามีมีต้นทะุนแล้วมีสติปัญญาพอที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ด้วยตนเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่ไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาอะไร มารที่จะปฏิบัติขยับขึ้นไปได้จนมรุภายในเจ็ดชา น, นั้นเป็ น, นีเป็นฐานะของพระสามาบันเจ็ดชาเ น, นี้ก็จะเกิดวิญาสุคติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทศแล้วถ้าพัฒนาถ้าเกิดพัฒนาในขณะที่ยังเด็ิตอยู่ขึ้นไปอีกระดับนึ้เป็นพระสุบิดาคารนี้ก็จะเหลือเพียงาเดียวที่จะต้องกรับมเกิด เป็นมนุษย์แล้วก็จะบรรลุพระอรหันต์ถ้า ไ, ได้บรรลุทำตมเพื่ใคร่านเป็นพระอนาคามีพ็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะเกิดอยสวรรค์ชั้นถมมห้าชั้นดยกันเป็นที่เกิดของพระอนาคามีคนไดีว า, ธธาวเป็นกลา มีที่ต่างๆอีกมากมายเราจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในในสภาพนั้นที่ไม่ต้องมีร่างกายพระนาคา น, นี้ไม่ต้องมีร่างกายเพราะตอนนั้นจิตดได้สอยวางร่างกายหมดแล้วไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่มีความเป็นไปได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไปถ้าปัญหาที่อยู่กับร่างกายก็หมดไปทุที่เหลสราคะปัญหาต้องมีร่างกาย เราชอบคนนั้นชอบคนนี้วิเลย์ไม่ต้องไม่ต้งมีมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมันมีวัมีปุถัมภะให้มัน <c oughs> หลงไหลให้มันเพ้อเพลิให้มันมีความดีอยูแต่ถ้าบรรลุถึงขั้นพระอนาคามีแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นร่างกายที่มีอาการตาติดต้อ เป็นปฏิกูลมีามสามารถไม่งากแต่การสอนเล่นไพ่ใต้ในที่นึง่งมีเก่งไม่ดีออกมาตลอดเวลาเ ป, เป็นเป็นติที่น่ารังเกียจมากกว่าหน้านยินดีเป็นติดของพระอนาถเองจะเป็นยังไจะรังเกีเกยจะไม่ยินดีากับการมีผู้คลอง แ้วถ้าได้บรรลุปเป็นพระาาอาหารหันต์ก็ไม่ต้องระเถืปป่อนต่อไปถ้าอย่างถ้าหมายถึงถ้าปฏิบัติในชาตนี้ไปรเรื่อยๆตั้งแต่ท่านโสดาบันไปจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นพระอรหันต์สาวกท้งหายในสมัยพิจการก็ดีในสมัยปฏิบันก็ดีท้านก็ปฏิบัติตั้งแต่เรื่งองต้นสอบบวดรักษาศีลบันเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิเจริญปัญญา ตัว่ที่สุดจิตแค่ได้พบกับความบริสุทธิ์หรอได้ใด้าจะทางโลกความโกระควมยิงถ้ามันขึ้นไปจากจิตจากใจจิตั้งก็หลุดพ้นจากอำนาของจิตังหาที่เป็นตัวสั่งการให้จิตไปเรียนว่าการเกิดกาสวางหาความสุทธิจากสิต่างๆ้วความเจ็บจากรื่นเรงจิตวัตรริสัทนิ์ ทั้งที่เป็นส่วนหยาบและส่วนที่ละเอียดคือส่วนที่หยาบก็เป็นพวกที่มนุเราดุเดินกันส่วนที่เป็นละเอียดก็เป็นพวกตายคิดดีกันใช้รูปคิดสิ่งคิดสิ่งถ้าเราเปรียบเทียบดูก็เหมือนกับตอนที่เรามองแบบถ้าเราฝันดีเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้แล้วมีความสุข ได้เห็นสิ่ง น, นั้นไม่เห็นสิ่ง น, นี้ในในความฝันนั่นแหละคือคือของคิดไม่ต้องมีตาไม่ต้องมีหูไม่ต้องมีจมูกไม่ต้องมีสมูกไม่ต้องมีจมไม่ต้น อ, นนน อ, องมีจมูไ่ต้องมีจกไมต้อนมีจมกไมต้อนมีจมูกม้องจกอจก้องมีกไม่งมจองก้นกไม่องมจไ้องกไม่ต้องมีจมูตอกับองจมูกม่้อก็ม่ต้องมีชม่วคราวสวมูกไ่ว 6ชั่วโมง -8 ชั่วโมงเราจะในขณะที่เราหลับในตามตกลงข้า ง, ง, างถ้าสันร้ายฝันว่าถูกคนปองร้ายมันก็มีปัญหาต่างๆมีความเครียดมีอะไรก็เหมือนกับตกมาลบในขณะนั้นจิกกนตกาลังโวยความทุกข์ดังนั้นความจริงเราก็จบแล้วขึ้นสวรรค์อยู่กันตลอดไม่ได้ ชนะจะน้อยก็ขึ้อนอยู่กับบุญบารมีและบาป ก, กรรมที่เราทําไว้เวลาเราทำํำบาปทกากรรมไว้จิตใจเราก็จะว้าวุ่นโผนไปทั้งใ น, นขณะที่เต็มและในขณะที่หยื่ตอนนั้นก็เหมือนกับตกเงินหรือถ้าเจ็บในความลโลภทาเหยื่อคนคนอื่นถ้ามีส่วนั้นมีส่วนี้ก็อยากจะได้อยากจะมีเหมือนเขทาทั้งทั้งที่ไม่มีการจําเป็นต่อการระงมที่ มีปัใจยสี่แล้วก็มีาทางเกิดแล้วแต่อยากจะมีมากๆว่ากฎความรู้ก็เป็นวิสัยของเกิดร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิดเป็นเกิดหรือถ้ามีความหวาดกลัวเป็นพวกขารนอนกลัวไปหมดกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัวอดอยากขัดแคลนกลัวสงครามกลัวความร้อน ช่วงที่ดูร้านเข้างาเนี่ยกลัวอะไรกลัวจะร้อกลัวไฟจะดับไฟดับแอบไม่ทํางานตู้เย็นก็เสียอาหารที่เก็บไว้เพื่อที่จะรับประทานก็รับประทานไม่ได้อาหารเนวเสียไม่แน่เพราะคนเรามืมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีไฟใส่แรงมากขึ้นเราก็ ไม่มีปัญญาที่จะตั้งไฟฟ้าเพ่มขึ้นมาทัวันทังเหลือยแล้วต้องเกิดไฟดั บ, บขึ้นมา ไ, มได้ เ, เกิดไฟดับตลวท่นไม่รุนวายเลยโทรศัพนะท์ก็ไม่เลยอยู่วิทุ่ก็ไม่เลยฟังคอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่ได้เป็นไปหมดถ้าตอไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ถ้าอยากเ่ยแต่สิ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทำได้ทํานเ ภาวนานี่แสนจะสบายจะไปสวรรค์ท่านไหนก็ไนดะ้จะเป็นนรกขุมไหนก็ไนดะ้มันด้วยภาวนาจิตใจแค่นี้นี่คืออำนาจของกิเลสสามตัวโลกโกฎดองมันครอบงำจิตใจของสับโลกมันลดเจ้าหกพันแล้วแล้วสัตว์เล็กสับน้อยที่นับจำนวนได้ทั่วดมดมแมง ตัวน anyway, ้อยจากเลี้ยการต่างปาในทะเลในมหาสมุทรโอ้โหมันมันเป็นมันครอบคุมไม่หมดมันควบคุมไม่หมดจัลกาในโลกนี้มีท้อพิจิเจ้าพระอรหันต์พระอริยะเจ้าเท่นั้นที่มันยังครอบยันควบคุมไม่ได้พระอริยะเจ้ามัควอบคุมได้โดยการลำดับขั้นๆมีพระอรหันต์กับพระพิจิเจ้าเนั้นที่ ที่ดุจพลังจากอำนาจของความโลกความโกรธความหลงแม้ถ้าเรียก้าวพระโสดาบนันน้ก็ยังถึงอำนาจของกิเลสคือราคาตันหาควบคุมพระโสดาบันยังมีควายมยินดีในรูปถึงตัวกฎตาละยังมีควายมยินดีในคู่ครองอย่างเงี้ยตาตาตาตาย ง, งย ม, ย ม, ยมีความต่อตนานหาความสุดจากการมีคู่ครองอีกส่วนพระอัญญาทานย่งท่านก็ยังมีความหลยยึดติดใน ในตัวทรงขท่านนี่ก็เป็นความหลงแบบ่งละเอียดมมอยู่กลางหลวงติดอยู่กับความจดบละเอียดของจิตในระดับนั้นคือเรียกว่ารู้ปร ะ, า ะ, ประาาการจะเอาประการมีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตทานที่สามารถสลัดความหลงตา่างๆให้หมดออกไปจากจิตใจได้ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความจบ ก็เป็นตนนาลังสุด ข, ขังโดยธรรมชาติของจิตจุที่ตัดสัจธรรมหลงก็ไม่มีความโลภก็ไม่มีความโกรธก็จะไม่มีไม่มีความทุกข์อันใดหลงเหลืออยู่ในจิตในใจเพราะเป็นจิดที่จะดอยจุด เ, เปลี่ยนไปด้วยตนนาลังสุด ข, ขังเป็นความสุดที่ให้ความอิ่มให้ความพออยูืดเยื้อกระสบาย ไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่อมาเติมไม่เหนยกับทางจุดทางลูกเสียงจินรถสุทธิพัฒน์ต้องเติมอยู่เรื่อยๆดูหนังเรื่อนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องดูหนังเรื่องต่อไปดูละครไม่อนี้ว่าก็ต้องดูละครเรื่องต่อไปไปรับประทานอาหารร้านี้แล้วก็ต้องไปรับประทานอีกร้านหนึ่งไม่ขึ้นสดความอยากทางโลกทางลูกเสียงกินวิสุทธิัฒน์นี้ยีไม่ขึ้นสุดมีความ ความสุดที่ได้จากการมีตำแหน่งได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็จะไม่พออยู่นั่ขั้นต้นถ้าเป็นฐานได้ในรอยจีก็ดีออกดีใจแต่สักระยะหนึ่งก็อยากจะขยับขึ้นเป็นในร้อยร้อจนไปถึงคนเอกจนไม่มีที่อยากขึ้นแล้วก็ยังอ ย, อย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ขอให้อยู่ไปนา น, าน หรือถ้าได้ได้ยศแล้วก็อยากจะได้ตำแหน่งได้คนเอกนั่งก็อยากจะเป็นผู้บังคับบัญชาการขึ้นไปนี่คือความสุขทางโลกที่เกิดจากความอยากมีอยากเป็นอยากได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆเราให้ได้มากน้อยเทไหมันไม่ได้สร้างความอิ่มสร้างความสอให้กับเ้า เพราะมันไม่ใช่เป็นอาหารของใจถ้าเหมือนกับรับประทานนะถ้าเหมือนถ้าเปรียบกับร่างกายก็เหมือนกับรับประทานแต่ลมยินแต่ลมร่างกายมันก็หิวอยูะนะ่ตลอดเวลาแต่ให้เอาลมใส่เข้าไปในปรานน่างกายนั่งนอดเียงานมันก็ไม่อีกต้องรับประทานอาหารรับประทานดื่มน้ำมันเพียงทำให้ร่างกายอิ่มใจก็แค่เดียวกันสิ่งที่จะทําให้ใจอิ่มก็คือธรรมะ รรที่เกิดจากกาปรปฏิบัติทางกายวาจาใจพระพทธเจ้าก็สรงแสดงไว้มีอยู่ 4, ไม่อยู่แตประการได้ว่ามักแต่นี่คือธรรมะที่จะทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอน้กแต่ก็มีสมาธิจิความเห็นชอบแล้วก็มีจากเมื่อมีความเห็นชอบก็จะพาไปสู่ การดำริเจอะหรือพอเรามีความเห็นแล้วเห็นแนวใดอย่างหนึ่งก็คิดก็จะคิดไปตามความเห็นนั่นถ้าเราเห็นว่าการเจตสุรายมามเรานำาพาสุดมาให้เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาสุรามัาดื่มถ้าเราคิดว่าการภาวนาทําให้จิตใจมีความสุขเราก็จะตาวัดกันเราก็จะคิดไปวัดกันแค่นี้ตัวของการี่จุดก็เคลื่อ ทิฏความเห็นว่าจะไปเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือเป็นวิชชาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบถ้ามีความเห็นชอบก็จะพาให้ไปสู่การดำเนุอชอบคิดในสิ่งที่ถูกต้องคิดในสิ่งที่จะทําให้จิตได้เข้สัตยานจบความอิ่มความพออย่างแท้จิงก็คือการเข้าสูงธรรมะนั่นเองเข้าสู่การปฏิบัติธรรม การแต่การทําพินงให้ทางรักษาศีลภาวนาก็จะพาไปสู่จากจากสมาธิความเดิมชอบก็ไปสู่ความดำดิบชอบนำมาสังกัดโตไปสู่นำมากรรมโตการกระทําชอบการกระทําชอบก็คือการกระทําที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เดือดเดือดเื่อ เป็นการละเว้นจากการฆ่าฆาตชีวิตลักรทรัพย์อาชีพถูกตเวียนนีอยู่ในกลุ่มของการกระทำชอบทางทางกลางการกระทำทางกลางแล้วก็ไปสู่การดำริชอบอการการวาจาชอบคําพูดที่ถูกที่ไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองหรือผู้อื่นก็คือ พูดความจริงละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออินทาการเลเรื่องไร้สาระต่างๆเรื่องที่เป็นสาระคืออะไรก็เรื่องธรรมะนี่เองพูดเรื่องเสียงเรื่องภาวนาเรื่องปัญญาเรื่องการอดทนเรื่องญาณทัตนะที่เกิดจากการทนนี่จะเการประกอบความภาคเพียง พูดถึงความนักน้อยสังดุลพูดถึงสถานที่สมบัติพยาพื้นเวทพอพูดเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันจอดคุณเคยไปอยูเพราะจะทําให้จิตใจฝ่หาสิ่งเหล่า น, นี้ถ้าพูดเรื่องราบด้วยผลาเสร็จ ส, สุดพูดเรื่องแพช่นพูดเรื่องสถานที่เท่าเทียมต่างๆก็จะทําให้ใจคิดถึงเรื่องเหล่า น, นั้นก็อยากจะออกไปตามสถานที่ต่างๆอย่างนั้นไปทำเรื่องต่างๆ เพราะฉะนั้นเราต้องพูดอยู่ในกรอบของสัมมาวาจาคำพูดที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาจิตใจให้ไปสู่การหลุดพ้นอย่าไปพูดในเรื่องที่จะฉุดยากจิตใจให้ติดอยู่กับการยืนร่ายตาเกิด น, นั้นเวลาคุยกันจัต้องคุยในในกรอบของในเรื่องของธรรมะเป็นหลักไม่คว่า เดี๋ยวอาที่นี้จะไปทำดินที่ไหนดีละไปภาวนาที่ไหนดีตั้่ใว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปจินที่ไหนดีก็คือนี่คือเป็นจาระสาร ะ, ะนี้จากการคิดคอเทนต์หลังกละเล้นจากการพูดคำหยาบคำหยาบนี้เป็นเหมือนกับขยะทางทางอากาศ เวล้วพูดออกมาแนละ้วทําให้คนหูของคนฟังนิสัยก็ปวดตามไปด้วยเป็นขยะเวลาเราเห็นขยะนี่เราก็รู้ว่ามันเหม็นมันไม่น่าดูแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เวลาคนพูดคำหยาบนก็ไม่น่าใงก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่ได้ส่งเสริมความสนุสนุกฟังแล้วทําให้เกิดความรุ่งร้อนขึ้นมาใมนใจิตใจ ทำยามนี้ควรยามเพราะจะเกิดในขณะที่จิตคือความโกรธ ค, ความงามอยู่ถูกความโลภความงามอยู่โลภนั้นไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็าจะระบายออกมาทางวาจาใครเป็นคนขัดขวางก็จะต้องโดนเป็นด่างแรกหนาข้อเล่อแน่ได้เรื่องคนทั้ ง, งผู้ดุทั้งร้ายหรือตัดทั้งร้ <c oughs> งงาย หรืออวัยวะต่างๆนี่จะทาอย่างที่เราไม่ควรพูดเพราะมันไม่ส่งเสริมให้จิตสงบแล้วก็ให้ละเว้นจากการพูดสอเสียดส่อเสียนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าเสียดสีพูดกระทบกระทา่งตอนนั้นอันนี้ไม่ได้มาความหมายของคําว่าสอเสีย สอบเสียดหมายถึงการพูดยืด ย, ย, ยื้ไม่เกิดความแตกสามกีไม่เกิดความเกลียดชังกันไม่ขาดขาดความไม่ตาต้องพูดทางตรงกันข้ามเวลาใครเขาเกิดใครแล้วมาระบายกับเราเราอย่าไปสงสัยว่าเอาเลยลุยเลยฆ่ามันเลยคนนี้ไอ้นี่นี่เรียกว่าสอบเสียดเราต้องบอกว่าอย่าไปดื้อต่อกรถึงขั้เลยที่ว่าเราเคยมีนี่มีกรรมกันมา คามนี้ใช้ใช้หนี้ใช้กรรกันไปถ้าเขาเรางับาขาจบได้เขาไม่ไปทำอะไรเขาให้อภัยได้เรื่องก็จบจากคนก็จากอยู่อย่างสบายแต่ถ้าไปส่งเสริมเขาเอาเลยเพราะเราก็เสียเขาไปแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเป็นเรื่องเนลาใหญ่โตเป็นอย่างในทาก็ท่ากเดี๋ยวเราก็ต้องต้องหลบหนีหลบช่อน เราทำผิดแล้วก็กลัวจะถูกจับไปลงโทษนี่คือสัมมาวาจาคือคือละเว้นจากพูดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีแท้พูดก็คือพูดความจริงพูดความสุภาพ้าพูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยความเมตตาพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างภาคเวลาที่เราเห็น ที่เขาลงในหนังสือิมงใหนังสีอต่างๆเวลามีพระนั่งสลทนากันเขามักจะพูดเสมอว่ากําลังสลทนาธรรมกันเพราะพระพเรื่องเห็นไม่ได้เพราะพูดเรื่องอื่นแสดว่าผิดสีนั้นสังเกตดูจะเห็นเวลาเขาถ่ายรูปครูบาอาจารย์ลงหนงสือแล้วก็จะบอกกาลังสลทนาธรรมเขาไม่ได้พูดพระเจ้าพูดจาวเสียงพูดทำยาม นี่ก็เกิดมที่เรียกว่าสัมมาวาจาต่อจากนั้นก็มีสัมมาอาชีว์ทุกคนต้องทาอาํามาเกี่ยงเนื้อที่เนื้อต่างเนื้อทองก็ต้องทําอาชีว์ที่ที่ถือหรือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเหยียดเรี่ยนชีวิตของผู้อื่น อย่าไปทาอาชีพที่ต้องฆ่าผู้อื่นเช่นฆ่าสัตว์กินฆ่าปลาฆ่านกฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าหมูถึงแม้จะเป็นอาหารของเรากเราให้มันตายก่อนเป็นค่อยเอามาราาับประทานอยากไปชี้บอกว่าต้องการตัวนี้ว่าอยู่ในถังน้ำในร้านอาหารแล้วก็ไปชี้ว่าต้องการอนะ่ะ ปลาตัวนี้มาเ็นอาหารหรือจะถือว่าไม่ใชเป็นกรรมอาชีพนอกจากนั้นก็ค้าขายในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภักับชีวิตของผู้อื่นเช่นอาวุธเครื่องกัดดักสัตต่างๆเพราะเขาอยากเอาไปฆ่าผู้อื่นกันเองเอากับดักไปฆ่ากนเอาอาวุธปืนไปยิงผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่หรื อ, อยาพิษ การพิดต่างที่อาฆาตมดตอรไรวันนี้ก็ไม่ควรท้าทายหรือพวกสุดายาเสพติดสุดาเป็นโทษไม่เป็นไม่ ม, ไ ม, มีไม่เป็นคุงเสพติไม่เป็นคุณเพราะไปแล้วทำให้ขาดสติทำให้ไม่สามารถยับยับ้งความคิดที่ไม่ดี <c oughs> ไ ม, ไม่สามารถยัำยักตามการทาที่ไม่ดีได้เพราะไม่มีสติสติเป็นอย่างเบรกที่จะคอยเบรกใจไว้ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะทําอะไรไตามความตามอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ถ้าเป็นอารมณ์โกรธก็จะพูดทำย่ากระทุ้บําร้ายคนของตา่างๆถ้าเป็นความโลภก็จะไป ไปลักไปขโมยไปเพือพุทธิตอเวนีความอยากความต้องการสิ่งของต่างๆให้ทามาที่ที่ที่ติดที่ติดกิเิสที่ไม่ไม่ไม่ไมไมกิดโทษกับตัวเองเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพระอาชีพที่ดีแม้แต่พระก็มีอาชีพเหมือนกันพระอาชีพของพระ ก็คือการบินบตบาพระพุทธเจ้าสอนพระตั้งแต่วันบวดในวันแรกว่าให้หาให้หาเลี้ยงชีพ ด, ด้วยการลำแค่งของตนจะมีแต่ความเจริญโดยฐานเดียวให้หาให้บินจะบาาไปตลอดชีวิตเลยโดยจนกว่าที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำได้ในสมยัยปัจจุบันนี้ยายกโยมกลับเห็นว่า ไม่ให้พระบิณฑบาตเป็นการทําบุญแต่อยากให้พระสบายกำลังนิมนต์ให้อยู่วัดแล้วนําอาหารชาววันมาถวายที่วัดอย่างนี้ความจริงมันไม่ให้เป็นสัมมาชีพสำหรับพระอาจจะเป็นบุญสําหรับญาติโยมที่ได้ทําบุญแต่พระจะเกิดความเกียดครางขึ้นมาสบายไม่ต้องเป็นเช้านอนตั้งแปดโมงเก้าโมงก็ได้ เดี๋ยวเพลญาติโยมก็กับข้ากับตามองถวายที่วัดพระเช้าก็ชงเอาวันกินติมันไปก่อนปิ้งขนมตังรอไปก่อนเราเดี๋ยวเพนก็มีคนจัดอาหารคาวหานมาความเพียนก็ไม่มีมีแต่ความเกียดการ <c oughs> เวลาจะเดินจงกรมก็จะข้าวไม่ออก <c oughs> เวลานั่งสมาธิก็จะสับสนหล งานสัมมาทิสีของนักบวชของพระก็คือการบินเทบดาไปลตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากจึงได้กำหนดไว้ในอีกที่หนึ่งคือในทุดงควัระแต่ไม่ได้กำหนดว่าผิดศีลถ้าไม่ได้บินเทาดไม่ได้อยู่ในศีน227ข้อเพราะทรงเห็นว่าคงจะต้องมีการมีจำเป็นในบางครั้งบางครางเจ็บไข้ได้ป่วย หรือพิกที่การใดก็จะไม่สามารถออกบินตระบาดได้หรืออยู่ในยก ข, ข้าวยากหมากแพงไม่มีใครใส่บาตหรืออยู่ในแดนที่เขาไม่อนุญาตให้บินตระบาดเช่นไปต่างประเทศพก็ถือว่าเป็นการขอทางผิดกฎหมายสมัยที่อาการย์ชาท่านไปโกรธญาตินที่ประเทศอังกฤษทางประเทศอิตาลีก็บอกว่าบินไบาบไม่ได้ ว่ามันผิดกฎหมายต่อ น, นอกจากจะเดินในบริเวณวัดนี้จะทําได้แต่ถ้าจะออกไปเดินตามถนนหนทางอย่างนี้เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจและนอกจากศาสนาพุ้นแล้วยังมีศาญหาอื่นๆตั้งเยอะแยะมีลัทธิอื่นเยอะแยะถ้าเขาปล่อยให้ทําก็ต่อไปก็จะมีเกาะทานบนถนนกันแต่เมืองไทยเรานี่ถือว่าเป็นเมืองพุทธ ท, ท, ที่ ผู้ที่ออกกฎหมานี่เข้าใจถึงหลักของพระพุทธศาสนาจึงยกเว้นเรื่องการบินสบาตไม่ถือว่าเป็นการขอทานแต่การบินสบาตบางพระก็ต้องอยู่ในกรอบของความพอดีคือให้บินสบาตหาอาหารมาไม่ให้ถือบาตรไปเรียรายเอาเงินทองผ้าป่าอะไรต่างๆเหลนี้นี่ไม่ใช่เป็นการบินสบาต อันนี้เรียกว่าเป็นการขอทานการบินบาตต้องพระเดินถือบาตรไปเราก็ไม่เคาะประตูบ้านไม่พูดไม่ขอขันปล่อยให้เป็นไปตามกำลังศรัทธาใครมีศรัทธาอยากใส่เขาก็เตรียมอาหารไว้ใส่ไม่ไปยืนขอค น, นนั้นขอคนนี้มีคุณหลักของการบินบาตรมีคุณมีประโยชน์กับพระหลายประการ ให้ความเพียรให้จำเนัถึงฐานะของตนว่าตนเองนั้นไม่ได้สิงโสงตรงไหนเลยในมุมของของโลกเ็นสมมุตดก็เป็นเพียงผู้เป็นหนังขอทานคนหยึงๆๆ่งเท่านั้นเองจึงควรมีความสรวมมีความพอใจกับอาหารที่ได้รับมานละควรจะที่ที่จุดจิตอยากจะรับประทาน สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามอารมณ์ของกิเลสเป็นการตา ก, กิเลสไปในตัวความมากน้อยสั่นโดทําให้กิเลสนี้คือความโลภความชื่นชี้จิตอยากจะได้อยากจะเินสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ถูกกําหลังไปโดยปริยายจากการดินตบานนอกจากที่นอกจากที่ทรงสอนในวันที่บวชในวันบวชแล้ว ยังกำหนดไว้ในในข้อทุดดงสืบสารด้วยมีส3บสารข้อหนึ่งในข้อนั้นก็เกอการบินตบานถ้าวันนั้นารสายาาพระปฏิบัตินี้ท่านเืยว่าถ้าไม่บินตบานก็ถือว่าวันนั้นสละสิไม่ฉันถ้าจะฉันก็ต้องบินตบานบางองค์บางท่านถึงแม้จะเิดบไขได้ปวดถ้าท่านไม่บินตบานท่านก็ไม่ฉัน มันจะมาให้จับตั้มนอกมาส่งที่ที่กุฏิดั่จะถือเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทอนาเพราะถ้าจิตไม่ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรแล้วไม่ยึดติดกับร่างกายแล้วถึงแม้ร่างกายจะเป็นอะไรจะขาดอาหารจะเก็บไข้ได้ปวดก็จะไม่กระทบกรเะเท็อนกุฏิจัก ถ้ายังติดอยู่ก็จะได้เป็นโอกาสที่จะได้พาวนาะเพื่อปล่อยวางพอเราจะปล่อยวางได้มักจะปล่อยในช่วงที่มีทุกภพทนาที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดจากการขาดแคลนอาหารเพราะมันจิตจะต้องหาวิธีกำลังความโลภความต้องการก็ต้องพาวนาะ ด้วยสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาเมื่อได้ได้ภาวนาได้เจริญสมาธิเจริญปัญญาเดี๋ยวมันก็ปล่อยวางได้ถึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท่านเรียกว่าให้เกวิกฤให้เกิดเป็นเป็นโอกาสขึ้นมาก็แล้เวลาอยู่ดีเปนดีสุข ส, สบายแล้วมักจะไม่ค่อยสนใจกับการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ เพราะมันไม่มีปัญหาจะแก้เพราะจิตใจตอนนั้นมันไม่ได้รุ่มร้อนมันไม่ได้ทุกข์ mm hmm. ท่านบอกว่าปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความทุกข์ mm hmm. นี่คือหลักของการหาหาจริงหน้าชีพของนักบวชเผยการออกบิณฑบาต mm hmm. เป็นหลัก mm hmm. ของญาติโยมก็ให้ ให้ละเว้นจากอาชีพที่เด็ดเดี่ยวที่อื่นหรือที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าสังคมไทยไม่มีการเสด็จลายามเราเนี้ที่ว่าปัญหาต่างๆจะน้อยลงไปมากปัญหาครอบครัวปัญหาทางทุกตีทําร้ายกันเลิกกันก็จะมีน้อยลงไปปัญหาสุขภาพก็จะน้อยลงไป เห็นกันอยู่ชัดๆแต่อำ น, นาจของกิเลสมันก็แรงมันก็ต่อต้านพยายามออกกฎหม้ออกมาก็ยังออกไม่ได้เพราะผลประโยชน์มันเยอะกิเลสมันต้องการผลประโยชน์จากการค้าเิ่นเหล่านี้ค้าสุรายามาไม่ทิดงึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับคนในสังคม นีเปตัวหนึ่งอของของมรรคแปดสัมมาอาชิวโว อ, อาชีพสัมมาอาชีทีนี้ขั้นต่อไปก็สัมมาวายามโมความภาคเพียรชอบท่านสอนให้เพียรอยู่ในสี่สถานเพียรสร้างความดีที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาทางดีที่มีอยู่แล้วให้คงไว้เพียรกําจัด ความไม่ดีให้หมดไปเพียงป้องกันไม่ให้ความไม่ดีที่ได้กำจัดไปแล้วคืนกลับคืนมาอีกความดีก็เช่นภาวนานนะเป็นความดีการทำดีให้ทางความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นถ้าเราเคยทำอะไรก็พยายามทำต่อไป ถ้ายังทำไม่เต็มที่ก็ทำให้มีมากขึ้นไปนี่ว่าเป็นเป็นการเพียนสร้างความดีที่ไม่มีให้เกิดขึ้นและเพียนรักษาความดีที่มีที่มีอยู่แล้วให้คงไว้ส่วนความชั่งก็โลกโกดหลงหรือการท่าสัตว์ชีวิตนักท ร, รัพย์พุทธิเวนีนผู้ต ồn มั่คัเศษรษฐายามาและอบายมุขต่าง อต่นี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดคุงไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษกับจิตใจก็ต้องพยายามละมันกำจัดมันส่วนไหนที่เรากำจัดได้แล้วถ้าเราเคยเสพยาถ้วเราเลือกเสพได้แล้วก็อย่าหวนกลับไปเลยอยีกถ้าเราเลือกซื้อของคุ้มเคยแล้วก็อย่ากลับไปซื้อมันอีกซื้ออะไรก็ขอให้ใช้เหตุใช้ผลเป็นหลัก ถ้ามีความจําเป็นก็ซื้อมาถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าไปซื้มันนี่คือมามา ค, ความเพียรในสี่สถานนี่ก็สัมมาวายายโมกานต่อไปก็คือสัมมาสติคือการให้มีสติที่จู่สติที่จู่ ก, ก็คือให้มีสติอยู่ในสถานสี่ดเดียคือในกายเวทนาจิตธรรมให้ให้เฝ้าดูกาย ดูเวทนาดูจิตดูธรรมคืออย่าให้ไปดูอย่างอื่นใ ห, ให้อยู่ในสถานสีนี้อย่าไปดูรูปเสีย ง, งลกลิ่นรสกัตวตามจอโทรทัศน์ตามสถานที่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทําให้จิตใจสงบแต่จะทําให้จิตใจเกิดความทุง้งซ้าน เกิดความใคร่เกิดความอยากเวเราเปิดดูหนังสือเพียงหรือเปิดดูโทรทัศน์แล้วมีโฆษณาเขาก็จะมาล่อมาม า, มาแย่ที่รทเราเนนั้นเด็ดที่ติดเยอะเหมือนเหมืยเยืะที่ติดอยู่ลายเบ็ดพอเราไปง่ามมันปั๊บเราก็จะถูกแบ็ดนี้เกี่ยวพอไปซื้อสิ่งที่เขโฆษณาเดืที่ยังไม่มีเงิน ซือด้วยบัตรครดิตี น, นี้ก็จะมีความทุกข์ในงานจิตใจที่จะต้องหาเงินมาใช้นี่ให้มีความสุขความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราซื้อมาไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ตามมาคืออดใจไว้ดีกว่าถ้ายังไม่มีเงินพอก็อยากเพิ่งไปซื้อยมาหรือแม้ไม่มีเงินพอถ้ามันไม่ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราสงบน้อมเย็นเป็นสุขก็อยากไปซื้อเงมา อันนีขันตอนนี้ก็อยากจะได้ความรุ่งเรืองเป็นสุข ก, ก็โอยจากไปถวายคือบาจารย์ต่อย่างนี้จะทําให้เรามีความสุขมีความอื่นนี่คือการ ส, สติเราต้องมีอยู่ในในกายกายก็คือเวลาที่เราทําอะไรก็ให้เรามีสติอยู่กับการ เพื่อจะได้ดึงใจไว้ไม่ให้เพ่นพ่านไปไกลเพราะนอกจากจาการจะเรีนสติแล้วยังต้องทำสมาธิตามลำบาบต่อไปจะทำให้จิตสงบได้ง่ายก็ต่อเมื่อจิตอยู่ใกล้ตัวจิตไม่ได้ไปฟุ้งซ่านกับเรื่องต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีสติปล่อยให้จิตคิดไปเรื่อยๆมันก็จะคิดไปเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีความผุขพันมาก ก็จะทาให้คิดมากแล้วถ้าเป็นปัญหาก็จะยิ่งทําให้ฟุ้งซ่านมากไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหานั้นยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่มีไม่ดีก็ท่ายกครัวเพราะจิตไม่มีสติป่อให้คิดไปตามปัญหาต่างๆแล้วก็พยายามแก้ปัญหาโดยไม่ถือวิธีก็เลยมีข่าวๆอยู่เรื่อยๆนี่ก็คือ ตัวอย่างของการไม่มีสติถ้ามีสติแล้วเราจะรู้ว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหนร่างกายเรากำลังทำอะไรเราเฝ้าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับนักโทษสติเป็นเหมือนกับยามเวลานักโทษจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าไปห้องน้ำกับนักโทษเลยไม่ใช่อยู่ข้างนอกบางคนเข้าห้องน้าแล้วแต่ไปนึกถึงเรื่องต่งงางๆภานอกต้องเหมือนกับว่ายามไม่ได้เข้าห้องน้ําปเลยสอให้นักโทษ คือจิตมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ได้อยู่ที่กายแล้วก็เนื้ออยู่ที่เวทนาก็ให้รู้ว่ามีเวทนาอย่างไรในขณะนี้จบเวทนาทุกเวทนาหรือไม่สุบไม่ทุกเวทนาให้รู้แล้วก็ถ้าจเจริญปัญญาตามไปด้วยว่าเวทนาต่างๆนั้นไม่เพียง เราไม่ต้องเป็นจัดการอะไรกับเขาเราปล่อยให้เองเป็นไปตามองค์ธรรมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรืออั้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะทำใจให้เป็นเบ็ดขาได้ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเช่นเดียวกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรเจ็บคข้ได้ป่วยก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดา มียาจะรักษาไปจรินไปหายก็หายไม่หายก็ตายเพราะมันความตายก็เป็นส่วนของร่างกายเหมือนกันถ้าเรามีปัญญาพิจารณาแบบนี้ควบคู่ไปกับการมีสติอยู่กับกายอยู่กับเวทนาใจของเราก็จะไม่คุ้งซ่าจะไม่วุ่นวายจะปล่อยวางจะเป็อุเบกขาได้หรือกับจิตก็คืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตของเรา อารมณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็โลกเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจพอเราสัมผัสอะไรคิดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาคิดถึงเรื่องดีก็ดีออกดีใจพอคิดถึงเรื่องไม่ดีก็เกิดความเศร้าสน้อยหเหงาเกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวก็ดูไปแล้วก็กำหนับด้วยปัญญาว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ ถ้าเราปล่อยให้มันคิดมันก็จะคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีผลอย่างนี้ตามมาถ้าเราไม่อยากจะให้มีผลอย่างนี้ตามมาเราก็คิดแต่คําว่าพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวจิตก็จะว่างจากอารมณ์ต่างๆกำลังดึงลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอะไรบริกรรพุโทโธเรื้อสว่วนมนต์ไปไม่ให้คิดเรื่องอะไรจิตก็จะไม่มีอารมณ์ขนโมจิตก็จะท่องใจ มีความสงบสุขมีความเย็นนี่คือการเจริญสติเรี่กวสัมมาสติส่วนธรรมก็คือให้เราพิจารณาธรรมต่างๆเช่นพุจรณาขันห้านี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญมีสติอยู่ในธรรมพิจารณามรแต่อย่างนี้กําลังฟังเทศน์ธรรมเรื่องเรื่องมรแต่ในขณะนี้ก็ถือว่ามีสติอยู่กับธรรมการฟังธรรมนี่ก็เป็นการเจริญสติที่มีอยู่กับธรรม เมื่อจิตเราอยู่กับธรรมเพราะธรรมมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจไม่มีโทษมีแต่จะส่งเสริมมีแต่จะช่วยให้จิตใจเราพัฒนาสูงขึ้นได้มีความสุขมีความอินอดใจมากขึ้นถ้าเราเราลดถึงธรพระได้มากน้อยเท่าก็เหมือนกับเราได้เงินได้ทองมามากน้อยเท่าทำให้เราอยู่ใต้ธรรมหลุด้นเข้าไปไเรื่อยๆทำให้เราได้พบกับปรมาถึกธรรน ใช่เข้ากันเรื่อยๆถ้าเราสร้างสติอยู่ในธรรมะวิเชียรแต่นั่งทำนี่เดียวนี่ก็คือการเจริญสติเรียกว่าสัมมาสติถ้าก็อยู่ในสถานที่อื่นหรือว่าไม่ใช่เป็นสัมมาสติที่ตลาดผู้หญิงไปอยู่ที่ตัวเลขในธนาคารนี่มันไม่ใช่สัมมาสติ มันจะสร้ า, างความเครียดขึ้นล่ะพ <Okay. S 1> อดอกเบี้ยกตกก็ใจก็วูบตามดอกพ <c oughs> อดอกขึ้นก็นดียมีใจที่เราจะเอาเองินไปใช้ให้ได <c oughs> ้ก็เป็นเรื่องของกิเลส <c oughs> ไม่ได้ทําให้จิตสงบ <c oughs> มันจะทำให้จิต <c oughs> ต้องทํางานมากขึ้นไปนเร้่อยๆ <c oughs> แต่ถ้าอยู่กับกายเวทนาจิตทาแล้วจิตจะสบจงบจิตจะตั้งมั่นให้จะ เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็มีอยูสองส ม, า, มสาสมาธิกับลึกฉาสมาธิสมาสมาธิก็คือการทำจิตให้สงบนุน่มรวมเป็นห น, นึ่งเป็นเอกตาลุมรวมเป็นหนึ่งมีอุเบกขามีความสุขมีความเย็นมีความอืน่นมีความาพอไม่ออกไปรับรู้ด้วยต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตก็ดีเรื่องในอนาคตก็ดีหรือเรื่องของไครก็ดีเพราะสมาธิของจิตบางดวงในเวลาสงบแล้วไม่อยู่กับที่จะถอนออกมานิดนึงให้ถอยอ อ, อ, ออกมาหน่อยแล้วก็ออกไปดูเรื่อ ง, งต่างต่างคนถนัดล้วลึกชาติก็จะไปนละลึกชาติบางคนมีตาที่เลื่นจะไปเห็นพวกกายคิดไปเจอพวกกายคิด คนมีลิ์มีเดชตามจิตตามใจของคนนั้นคนนี้ได้ก็จะไ ป, ไปในทางนั้นถ้ามุ่งไปในทางนั้นก็จะไม่ไปสู่มรรคผลวิภารเพราะสมาธินี้ยังถือว่าอยู่ในท่านโลคิยธรรมแม้จะได้ชานแต่ก็ยังถือว่าเป็นโลคิยธรรมไม่ทําให้จิตตกคนละยุสมาธิพระอาจารย์สองลูปของพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุชาย แต่เมื่อตายไปก็ได้ไปแค่อยู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะต้องเสื่อมเมื่อพลังของสมาธินั้นหมดไปก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาสร้างบุญบาร ม, มีแต่ถ้าได้เข้าสู่ท่านอริยมรรคอริยผลแล้วจะไม่เสื่อมลงมาถึงจิตระดับพุทิชนอีกต่อไปถ้าเป็นโสดาบันล้วก็อย่างต่ําก็ต้องเป็นโสดาบันไปหรืแต่จะขึ้นอย่างเดียวไม่มีแรง พระตูดาบันก็ไม่เกินเจ็ดาพระเศรษฐีดาวามีก็เพียงชาติเดียวในกาลที่เรต้องกลับมาเกิดเป็นม น, น, นุษย์พระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บรรลุในสวรรค์ชั้นพนมโมลกพระอารหันต์ก็สิ้นสุดงการยินล่ตายตาเถียงในพวกนี้ในชะไม่ได้เลยก็ต้องมีสัมมาสมาธิคือจิตต้องสงบเพราะการจะเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาจิตจะต้องมีความหนักแน่น มีความมั่นคงมีความสนบมีความเยน ม, มีความอิงถึงจะสามารถเจริญวิปัสสนาใจรักได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิวโผนกับอารมณ์ต่างๆถึงแม้จะอยู่ในอยู่ในสมาธิแบบที่ไปรู้ไปเห็นอะไรก็ตามแต่พออกจากสมาธินั้นจิตจะไม่มีกาําลังเหมือนกับคนที่นอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าเหนื่อยคนที่นอนหลับแล้วฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เอตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่คนที่หลับสนิทไม่ฝันอะไรเลยพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตจะร่างกายจะูกชื่นจะเบก บ, บางจิตใจจะดบก บ, บานพร้อมที่จะไปทำภารกิจต่างๆพราะเสียทางโลกก็ทำไปแต่ถ้าเป็นทางทางธรรมก็ต้องให้จิตรวมสงบนิ่งล อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ให้อยู่ไปอยา่าอยา่อยาไปดึงมัน อ, ออกมาในขณะนั้นขณะนั้นไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาปัญญาต้องรอให้จิตออกมาก่อนในในในสภาพที่ทุตุ่งแล้วเมื่อมันจะมีการทิตุ่งก็ไม่ปล่อยให้คิดไปลุ่ยเปลือยเหมอนมา ก, ก่อนไม่ปล่อยให้คิดว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปซื้อข้าวของอะไรดีก็จะให้มาพุ่งไปที่ร่างกายเป็นเป้าแรก พ่อขันห้ามีร่างกายเป็นด่างล่างเป็นเป็นเป็นส่วนหยาบที่สุดในขันห้ารวเมเวทนาสัญญาสังขารยืนยานนั้นเป็นส่วนละเอียดขึ้นไจิตที่ยังไม่มีปัญญาท่านตายจะไม่สามารถพิจารณาส่วนละเอียดได้ก็ต้องพิจารณาร่างกายในเงลักลักระต่างๆเช่นไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย อนัตตาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมักสุธะไม่สวยไม่งามมีโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆปฏิ ก, ปกูลปกปบมีสิ่งกปกปกไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาพิจารณาเพื่อคลายความกําหนัดดีๆคลายความยึดติดในร่างกายเมื่อพิจาราอย่างรอบครอบแล้วต่อไปจะปล่อยวางร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย จะรู้สึกเฉยๆเห็นเห็นใครก็จะไม่เห็นว่าสวยว่างาม น, น่ายินดีน่ารักใครจิตก็จะหลุดจากร่างการไป จ, จากนั้นก็ต้องขยับขึ้นสู่ขั้นนามธรรมาคือพิจารณ า, า, านิพพานปัญญาสารการวญญานซึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะ ม, มันเกี่ยวเนื่องกันเกิดจะถังฐานความคิดตัวนะ เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แลก็เกิดยึดธนาตามมายึดธนาความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดจากความคิดเียงนี่เป็นหลักถ้าคิดเรื่องที่ที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ถ้าคิดเรื่องที่ดีก็เกิดความสุขถ้าคิดเรื่องที่ไม่ไม่ดีไม่ร้ายก็จะไม่มีความไม่มีความคิดก็จะเฉยเฉยก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร เวลา ก, ก็เกิดจากสังขารถ้าเราควบคุมสังขารความคิดเนได้เราก็จะสามารถควบคุมเวทนาที่เกิดจากความคิดป็นได้เวลาที่เรานั่งแล้วมันเจ็บตัวนี้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาสองสองส่วนทุกกายนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วคือแก้ไม่ได้มันนั่งนานๆเข้ามันก็ต้องเจ็บแต่ที่มันเจ็บกว่านั้นก็คือทุกข์ใจ ที่เกิดจากความคิดปรนงของใจที่อยากจะให้ทุกกายนั้นหายไปหรืออยากจะหนีจากทุกกายนั้นในขณะนั้นจิตก็จะปุงอย่างเดียวว่าไปดีกว่าลุกดีกว่าเปลี่ยนวิทยาบท ด, ดีกว่านั่งไม่ไหวแล้วทรมารเจ็บปวดถ้าคิดอย่างนี้มันความความทุกข์ทางจิตใจก็จะมีมากคพิ่ขึ้นแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันคิดเราก็พุโทโธไปทําเดียวมันจะเจ็บที่ร่างกายขณะนั้นก็ฝันไป อย่าไปคิดถึงความเจ็บที่ร่างกายให้โอยทำพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเพื่อไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงความเจ็บของร่างกายไม่มีโอกาสที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปปัญหาคือต้นเหตุของความทุกข์ใจเพื่อจะไม่สามารถทํางานได้เมื่อ ไ, ไม่ทํางานทุกก็ไม่ปรากฏขึ้นมในใจาเพื่อทุกข์ใจไม่ปรากฏทุกกายมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ยืนแรงเลยสามารถลับได้ หรืเวลาที่เราเพลิดเพลินกับการทําอะไรเรานั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลายาวงานแต่ถ้าเรามีความเพลิดเพลนะินแล้วเราจะไม่รู้สึกเจ็บเลยถึงแม้ว่ามันจะเจ็บจแต่เรากลับไม่สนใจ เ, เพราะเรามีสิ่งที่เราสนใจดึงใจไว้อยู่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องความเจ็บของร่างกายแต่เวลานั่งสมาที่นี้มันไม่มีอะไรทํามันก็เลยเพออะไรเจ็บนิดเจ็บหน่อยขึ้นมามันก็จะผาน จะหนีจะเลิกแต่ถ้าเรามีเวลาให้มันทําเ<ม>ช่นเรามีพุโทโธทําไปเรื่อยๆมันก็จะเพลอยู่กพุทโธมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บกวดหรือเราเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บกวดขึ้นมาแต่มันก็ทําได้ในระดับหนึ่งพอมากกว่า น, นั้นมันก็ก็จะความทุกข์คามเจ็บทางร้างการก็จะมีมากจนทําให้ไม่สามารถที่พุโทโธได้ก็หนึ่ ถ้าจิตยังไม่ร ว, วมอยู่ไปเสก่อนก็าอาจจะต้องใช้อุบายของปัญญาต้องพิจารณาว่าเวทนาทางร่างกายนี้แม้จะมีมากหรือน้อยเป็นไรจิตก็สามารถรับรู้ได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันก็ได้ฝ่ายมันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราแยกใจออกจากกายออกจากเวทนาให้ได้ว่าเป็นคนเราเสกัน สอให้เวทนาแสดงอาการของเขาไปร่างกายก็ปล kind of th ่อยให้เขานั่งไปใจก็เป็นผู้รับรู้ก็ะเพณีแต่รับรู้ไปทางคนต่างทําหน้าที่ของของกรและกัรใจก็รับรู้เวทนารับรู้รื่ของกายเวทนาเขาก็เปแสดงเห็นเขาไปเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเวทนากายก็เป็นร่างกายเป็นอาการสามสิบสองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะใจก็เป็นเหมือนกับเก้าอี้เหมือนกับ สิ่งของต่างๆเขาก็ไม่รู้ว่าขเขาเป็นอะไรตั้งเขาไว้ตรงไหนตรงนั้นไม่อจะขยับเขาเขาก็ไม่โหนไม่ว่าอะไรหน้ากายก็เหมือนกันมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นผู้ที่รู้ก็คือาจแล้วก็นมีความโหงเข้ามาอยากแยะว่าดีว่าชื่วหน้า ย, ยินดีหน้าลังเกียจพอเกิดความหน้าลังเกียจขึ้นมาก็อยากจะ ผีให้คนก็อยากจะให้มันหายไปเมื่อมันยังไม่หายไปตามความอยากของใจก็เกิดความทุกข์ประมาณใจขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถระงับความอยากให้มันหายไปได้เรารับกับสภาพความจริง อ, อ่ะจะเป็นก็เป็นไปจะมีก็มีไปจะอยู่คู่กันไปอย่างนี้ก็ อ, อยู่กันไปหรือเราจะใช้วิธีอะไรย้อนสอนก็คือ เคยเกลียดมันก็หันนักมันดูชอบเวทนาชอบทุกเวทนาเมาชอบความเจ็บปวดมากเหมือนพวกที่เขาชอบกันพวกตาดุเขาก็ชอบความเจ็บปวดพอชอบอะไรนะมันก็ไม่เจ็บคนเขาเอาพขาเอาเอ า, เอาของเหลงที่งเข้าไปในลิ้นขึ้ขนกระไงไกงแก้มเขาก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยก็เหมือนกับฉีดยาฉียาเข็มก็ฉีดเข้าไปใ น, ในร่างกายของเรา ถ้าเราพร้องที่จะรับมันก็ไม่เจ็บมากมายการกอดแต่ถ้าคนบางคนเช่นเด็กบางคนนี้ไม่ยอมเลยเราจะจุดนานี่ร้องไห้ยื่นลงตอนนี้ไม่สามารถจะจุดได้และจิตปฏิเสธจิตไม่ยอมรับเกิดความทุกข์ทรมานใจมากที่คือการการพิจารณาวิือการต่อสู้กับทุกเวทนาด้วยปัญญาต้องยอมรับว่เราอยู่ในโลกของเวทนาทั้งสานี้ เราหนีน้ำห น, นักไปไม่ทนเราอยากไปเลือกเอาแต่เฉพาะสุดไม่จะได้เลยเพราะนี่ยปัญหาของโลกตะวันนี้ก็เพราะเราเลือกสุดเลือกทำงานกันเราก็คอยวิ่งหนีความชุกเลืนทำงานกันเราก็ต้องสร้างสิ่งต่างๆมาดับทุกเลืนทำงานกันสร้างเครื่องไฟฟ้าเครื่องความไฟฟ้าสร้างพลังงานิทธิยุทธ์สร้างเครื่องปรับอากาศนี่ก็เพื่อมาที่จะมาดับ ทุกเุทธะทางกาทกยทางนั้นเองแต่ถ้ารับปฏิบัติตามพระท่านท่านก็อยู่แบบตามมีตามเกิดทุกก็รับรู้วันทุกทุกได้เดี๋ยวมันก็หายได้มันร้อนได้เดี๋ยวมันก็เย็นได้มันก็สลับผันผยนไปตามเหตุตามตับใจของโลกมันก็เป็นอยู่างนี้มาตลอดใจกับสบายแล้วความทุกข์ทางกาก็เลยไม่หนักหนาสาับ เหมือนกับตัวที่พยายามหนีความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่มีห้องแอร์อยู่มันก็ไปทุกข์กับเรื่องอื่นแทนก็ไปคิดเรื่องนัน้เรื่องนี้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในห้องแสนจะเย็นแสงจ ะ, ห น, นจะหนาแต่ใจกลับรุ่มร้อนเพราแก้ความร้อนผิดที่แไปแก้ทางกายทาําว่าที่มันแสนสาหัสมันไม่ได้อยู่ทางกายมัอยู่ทางใจ พระ พ, พ, พุทธเจ้าสอนให้เรามาแก้ทางใจดับความน้อนทางใจได้โดยขึ้นเชิงได้โดยหมดขึ้นด้วยปัญญาด้วยสมาธิความสมาสมาธิควรจะเข้าใจแล้วนะว่าต้องสงบต้องนิ่งเอย่าอย่าไปนับรู้เรื่องราวต่างๆถ้ามันออกไปต้องเด้งเหมือนกลับเข้ามาถ้าเราเข้าไปได้ด้วยพุทธโธเราก็เดินกลับมาด้วยพุทธโธ ถ้าเราเข้าได้ด้วยลมหายใจก็เดินกลับมาด้วยลมหายใจมันก็จะกลับเข้ามาถ้าเราไม่ปล่อยมันไปแล้วจิตเราจะมีความแน่นหนาเหมือนกับหินเมื่อเราพิจารณาอะไรจิตมันก็จะเชื่อฟังจิตมันก็จะเป็นอุนเเกรหามันก็จะปล่อยวางได้เดี๋ยวทุกเวทนาหนักหนาสนาดไหนมันก็จะป่อยวางได้ไม่เกิดถ้าไม่เกิดความอยากที่จะให้มันหายแล้ว ความทุกข์ที่รุนแรงในจิตใจยังไม่เกิดขึ้นความทุกข์ในทางทางกายนี้เมื่อเปรียบกับทางใจแล้วมันเหมือนฟ้ากับหินนี่คือมรรคแปะแตะสัมมาคิดถิ็นชอบสัมมาคำสังกัปโปความร ม, มือชอบสัมมาคำนันโตความกระทั่งชอบสัมมาวาวาจาการพูดชอบ สมมาอาชีวสมมาวายามโมอาชีวเจ้าส ม, มาวายามโมความเพียรเจ้าสมมาสติและสัมมาสมาธินี่และคือสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะตราอัยสามตัวนี้ได้โลกกฎที่เพียเจ้านาของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ได้แพ้ตัวนี้ตัวเดียวแพ้ธรรมะตัวเดีย ว, วเท่านั้น อย่างอื่นฝากม่ได้ได้เราขอให้เราพยายามเดินไปทางนี้เพราะทางนี้จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นสู่การชื่สุดแห่งการยืนยันตารเกิดสื่นแห่าาาความทุกข์กทั้งปวงเราขอริษฐีเลยอย่นะางเท่านี้ ดีนี่เวลาที่เขามาถ่ายในสารานี่เหมืดุจเเลยต้องเพิ่มแสงเราเพิ่มแสงตับแสงในในภาพภาพมันก็เลยดูค่นข้างกระจางไม่มีสีสังอะไรเพราะธรรมดาข้างหลังมันมีสว่าเแ้าหน้ามจะมืดเห้ก็เลยพยายามเพิ่มแสงให้มันหน้ามันสว่างพอมันพอมันเพิ่มแสงมากๆที่อย่มันก็เหมือนกับว่ามันขาวโพลนขาวพสีท่าจะไม่มีอยู่เลยแต่ถ้าเวลาถ่ายที่อื่น ยังจะปีกจัดก็เขาไปถ่ายตามดินตะบ่าแล้วก็ถ่ายตามที่ญาติโยมมาทำดินตักบ่าที่ศาลาดเลยจะก็ประมาณ50นาทีอันนี้เป็นเขาให้เนือออริจินัลว่าอันเดียวใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็คืออาจารย์จะให้คัพปียมาสักเท่าไหร่ดี ก็กาเิโยมร่างกายก็เค้าติดใจใสาอะส่วนท้่าก็มีคนอก็ทาให้ด้วยของท่านจิตยออยากจะทามาให้ก็ได้ลับๆแ้่แต่ศรัททไปเึงมีใครสนใจได้แจ่งจ่ายแล้วกันเาก็ถามปัญหาอยู่สี่ห้าข้อนี้กันเกี่ยวกับนรกสวรรค์เกี่ยวกับกรรเกี่ยวกับประวัติของตัวนี้หน่อยเกี่ยวกับหน้าที่ของพระ าบวชมาเพื่อมาทำอะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษนั้อในไทยไม่มีภาษาไทยแต่ถ้าคฟังภาษาไทยฟังภาษาอังกฤษเต็มก็จะทำอะไรไม่นนาาได้เพราะไม่มีภาษาไทยกำกัดให้อ่านหรือใครจะไปใส่กาแฟลงไปตัก <c oughs> ใส่แก้วไม่ใช่พูดภาษาที่น <c oughs> ู้นมักแปดนี่ไม <c oughs> ่ก <c oughs> ินวล่น <c oughs> ก็พูดรวมๆก็หมายถึงการบารทั้งหมดทอย่างมันรวมไปกันได้ไหมครับก็ลองพิจารณาดูซิย้า้บ่อนอยู่ทุกอย่างขมันคาจะคาดเจนอยู่แล้วจิงแต่ว่ากรรมเนี่ยมันเราทำอยู oh, o, ่ทุกขณะทุนาจติดถหมคะเป็นมันจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกายวายใจใทีนี้ในขณะที่หลับนะคะ ทำตัวนั้นไม่ได้ทำเวลาฝันงายก็ถ้าไม่ฝันสับไปถ้าหลับไปมันก็ไม่ได้ไม่สร้างเหตุอะไรเพราะว่าการทํามาที่ถือเป็นการทํากรรมดีรู้ไหมตารทำสมาธิเพื่อไม่ให้คิดอะไรคิดจะพุทโธนี่ก็เป็นทําดีแะ้แล้วยิ่งถ้าไม่คิดไปหนิ่งได้ก็ยิ่งดีเพราะมันได้มันได้เกิด ความความจริงของจิตได้พบเจอความจริงของจิตถ้าถ้าในนั้นคนที่ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยพอนานแล้วถ้าไม่รู้สึกตัวนี้วามพอนานไม่ได้เพราะมันไม่ไดแต่ว่าติตในขณะนั้นเยอาจจะประกอบกรรมไม่ดีก็ได้ก็ต้องเป็นไปตามวิบากอะไรพออยู่ในขั้นที่ไม่มีสติควบคุมจิตได้จิตมันก็จะทำงานไปโดยอัตโนมัตามกำลังของวิบากทั้งกรรมที่ได้ทําไว้อันไหนตัวไหนมันแรงก็จะเป็นตัวผลักไป ถ้าบุญแรงยุนก็จะผักไปถ้าบาปแรงบาปมันก็จะผักไปเพราะนั้นเหมือนเท่าเหมือนกัอยู่อยู่กับออโต้พายท์แล้ว <c oughs> คือคนขับไม่สามารถไปควบคุมบังทับเครื่องได้แล้เ <c oughs> ครื่องมันจะรังทับไปของมันเองตามโปรแกรมที่ได้โปรแกรมไว้โปรแกรมที่เราโปรแกรมไว้ก็คือบากบุญที่เราทำํำ <c oughs> แต่เครื่นถ้าถ้าเราโปรแกรมไม่ดี อย่างยังยังหลพ่อชานี้ท่านก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ทําอะไรอยแต่เราไม่ทราบว่าในในใจของท่านนั้นท่านท่านอยู่ออโต้พาวเอร์หรือเปล่าแต่ถ้าออโต้พาวเอร์ของท่านก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะท่านท่านได้กําจัดให้บาปกรรมหล่รายคือต้นเห็นของบาปกรรมมันก็จะไม่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างความทุกข์ให้กับท่านหรือว่าถ้าท่านยังมีสติอยู่ท่านก็สามารถที่จะ ดูแลจิตใจของท่านไปได้ในขณะนั้นในขณะที่ร่างกายไม่สามารถทำหนอยได้แต่ถ้าจิยตยังมีสติยังมีรู้สึกตัวยังมีรู้ความรู้สึกตัวอยู่ก็สามารถควบคุมได้เพามันเป็นความส่วนของร่างกายที่บ้างบางคนไม่สบายแล้วร่างกายขยับขึ้นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเูาเข้าสู่ไม้ได้หลือเขาไม่รู้สึกอย่ก็อยู่ที่ตร ง, งนั้นว่าเข้าสู่จะไหไม่มีสติสตางนอนหลับ เหมือนกับคนนอนหลับไปนหรือปเปลาหรือว่าเขายังมีสติตั้งยังเจอยู่แต่เขาไม่สามารถ ต, รตริดต่อกับเราผ่านทางร่างกายได้ ต, ด <S <S <S ต้องต้องอาศัยคนที่ <S <S 2> <S 2> อ่านจิตใจของคนได้เนย่างพระอรนมุขมุขวิทนี่ท่านมีความสามารถที่จะอ่านวาระจิ์ของผู้อื่นได้ตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะนิพพาน ท, ท่านก็พระพุทธเจ้าก็จะทข้าฌานตั้งแต่รูปฌานขึ้นไปถึงอริฌานแล้วก็กลับลงมาดูจิตกปักติ้งแล้วกลับขึ้นไปถึงสูรูปฌานแล้วก็มิพานระหว่างรูปฌานถึงอริฌานในขณะนั้นพระรูปอื่นที่นั่งเข้าพระพุทธเจ้ า, ญญาอยู่ที่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะตามว่าจิตก็ต้องไปถามพระ อ, อริยมิจว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าป็นอย่างไร่ะ อโอนี้อยูนอยู่ยประชา น, นอยู่อนี้ออาประชานอยู่ของพเจ้าวิพาษ์นะเพราะนี้ท่านก็บรรยายท่านนนะท่าท่านอ่านจิตได้เห็นไหมจรีละของพระพุทธเจ้าจะเลือ่อแต่จิตของพระเจ้าเขายังทำงานอยู่ในช่วงนั้นา<ม>คนที่อ่านมาละจิตองผู้อื่นได้ก็จะสามารถตามี้ได้<ม> ถ้าเกิดในระหวา่างที่ความเห็นชอบของเรายังไม่เกิดแล้วในชีวิตประจําวันนะคะอยากจ ะ, อะขอแนวคิดว่าจะทํำยังไงให้เร า, เรายึดไดตามมากขึ้นนะคะทั้นต้นก็ต้องศึกษาทําให้มากๆได้ยืนได้ตามทำให้มากๆเพราะาธรรมะนี้เป็นต้นเหตุต้นเหตุของสัมสมาที่ฐิความเห็นชอบที่มาฟังธรรมวันนี้เราก็ได้คํามเห็นชอบหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัญหาก็คือฟังหนงเดียวแล้วมันพอเราไปทําเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันจะมาตรวจเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ตลอดแล้วนอกจากได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องเอาไปใค่ายควรอยู่เรื่อยๆคบทวนอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้ได้ฟังอะไรไปบ้างถ้าควรใจกระทั่งมันมันเหนือนก็มันจําได้ขึ้นใจจามันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนพกิดของเราต้องทําในขนาดนนั้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวพอเราไปทําอะไรปั๊บตามหลงที่มันมีอำนาจอยู่มาก มันจะกลับมาคุมท่านจอกท่านเตรียมเหมือนกับจอกนแงยที่มันคุมสระไว้เวลาเราฟังเทศฟังรังก็เหมือนกับลังมือไปแหวกเพื่อจะตักน้ำขึ้นมาดื่มพอเราพอเราไม่ไดไปแหวกบนทับจอกแงยที่มันคุมอยู่บนผิวง้ำอยู่มันก็จะมันก็จะกลับมาคุมปิดหนักให้เราต้องพยายามหวกมันเรื่อยๆเราต้องพุกธะธรรมะมันเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าให้เจริญ ปฏิบติอยู่กับธรรมนี่จะให้พิจารณาธรรมต่างๆในแง่มนต์ต่างๆถ้าที่เราจะสามารถทําได้ตามฐานะของความเข้าลความรู้คามเข้าใจของเราถ้าเรากำหนดฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้ามิสอนให้เข้าวัดอยู่เรื่อยๆกาเลนะธรรมสวรรค์เอตังมังกาลุตตมาการทำธรรมต่างๆเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต กเพราะอาจจะได้ทําให้เกิดสัมาทิฏฐินเองเมื่อมีสมาธิฏฐิแล้วสัมมาต่างๆก็จะตามมาแรงการเอาหาครูบาอาจารย์เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบางทีการนั่ตานังสืบของเราบางทีล้วอ่านไปแล้วเราก็ยังบางทีก็ไม่เข้าใจหรือเกิดความเข้าใจผิดก็ได้แต่ถ้าเราเริ่มไปพดูดกับผูรูป ผู้รู้จริง เ, เห็นจริงได้ยินไม่ฟังแล้วได้ทักด้วยในกรณีที่เราไม่เข้าใจก็จะเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อเกิดความติดขัดขึ้นการการฝึกษาธรรมเป็นเรื่องจําเป็นเป็นตําบลสําเนินึนลยหลวงตาท่านเคยพูดว่าระหว่างการด้วยยินได้ฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมการฟังเด้ฟังธรรมนี่เป็นธรรมสําคัญมากกว่า เพราะถ้าไม่ฟังแล้วไปปฏิบัติอะไรมันก็หลงทางถ้าหลงทางสู้อยากปฏิบัติไม่ไดะหองทางแล้วยิ่งแก้ายากเอี่ยคนที่มีนิจฉยทุกข์นี่บางทีแ<ม>ก้ายากรับปฏิบัติของเขาอย่างไรเขาคิดว่ารัาปฏิบัติเถอะไปไปสอนเขาอย่างอื่นก็เขาไม่เอาละเขาชื่อในสิ่งที่เขาทาแต่การปฏิบัติก็จําเป็นไม่ใช่ว่าได้ยินได้ฟัง อย่างเดียวนอกจากว่าเรามีปัญญามีบารมีมากพอที่จะสามารถบรรลุจากการได้ยินได้ฟางเช่นพระสาวกบางรูปเช่นพระอัญญาณกุลพญะพอฟังเพ่ชั่งแรกแต่พระเจ้กาก็ได้บรรลุเป็นพระสุริยามังบางองค์แค่ฟังเพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระอาห์เลยน่นแสดงว่าท่านมีอย่างอื่นพร้อมอยู่แล้ว มีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิอยู่แล้วแต่สัมมาสมาธิมันยังไม่คร บ, บ, บถ้วนบริบูรณ์อาจะมีอยู่เก้าสิบเอร์เซ็นองขาดอีกสิบเอร์เซ็นพอได้ฟังส่วนนี้ขึ้นมาปั๊บก็เข้าใจาาก็บรรลุได้เลย้วสมาทิฏขิก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับการสะสมไปทีละเล็กเท่น้ะจากจากจากนเซนไปสู่สิบเปอร์เซ็นถึสู่ห้าสิบว่าปอร์เซ็น เพราะการการที่จะมีมสามารถพิสูจน์นี้ไม่ได้เกิดจากการฟังอย่างเดียวนอกจากฟังแล้วต้องเอาไปค่า่ส่วนที่ส่วาแล้วเอาไปปฏิบัติด้วยเอาไปพิสูจเพื่อเมื่อเราทาตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราเห็นผลมันก็จะเกิดฉันทาวิริยะเกิดความมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรที่ที่ดีกับเราแต่ถ้าเราไม่เอาไปพิสูจน์เช่น อาตมาในยาวิเศษนะแล้วบอกเอาไปกินให้รับสาวไปตลอดชีวิตเลยถ้าไม่เอาไปรับประทานก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าตถ้าเอาไปรับประทานแล้วก็จะรู้เมารู้ว่าเอ้ยเนี่ยผมผมเหน่อยตายเดี๋ยวนี้ผมเหนื่อยแล้วหนังเหยืเดี๋ยวนี้ห น, หน น, งห น, นังกับคืนกับคืนนั้นโอ้โหก็จะมีความความยินดีมีความสทาในธรรมะ ในสิ่งที่เราได้รับไปทั้งสองส่วนก็มีความจต็เต็นทั้งการได้ยินได้ฟังและการอํานํำไปใช้คนคิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติอย่าเอาแบบฟังเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาพอออกจากการานี้ไปแล้วก็หายไปหมดเลย <c oughs> ท่านถึงต้องท่านถึงต้องสอนอยู่เรืนะ่อยสมัยที่อยู่บนหลวงตาตอนนั้นท่านมีเวลามากท่านจะเรียกประพฤกทุกสี่ห้าวันอพรมพระทุกสี่ห้าวันฟูข mm hmm. ีอย่างน้อยก็สองชั่วโมงขึ้นไปพอฟังทีนีน้มันก็เหมือนจะได้เหมือนกับปลาได้น้ํามันก็โอ้โหมีกําลังจีตกาลังใจคือได้เงี้ยทีกระพาานได้ได้ทั้งคืนเลยง่ว <c oughs> งเหงาเหาหนอไม่รู้สึกว้าวเว่ รู้สึกว่ากูบาอาจารย์นัดคนที่ามอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราห่างไปสักสองสามวันอ่ะไปท่านะ่านหนึ่งเลี้ยงนี่บ่อยๆอ่าเลียงไปบ่อยอย่างนี้ทุกผมนี่ต้องมาเช้าเย็นเลยความเย็นขหน่อยที่เมดเื่อยตอแดง่ใ่ก็เลยไม่กี่วันต้้มาแล้วก็ไปบ้านเช้าเย็นขับก็ใส่ฟังกอที่อยู่กันได้มีที่อยู่ทำ แต่ที่นีเอจำไม่มีอดอกผลปลาใช่ครับไม่มีก็มีแต่ก็ตอบคาถามบ้างถ้าใครสงสัยอะไรแต่เพราะว่าเราไม่ได้ราอยู่ในฐานะแบบเป็นครูบาอาจารย์แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่เอาความจริเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ที่บา น, นี้เขามาอยู่เขาไม่ต้องผ่านเราพระเขาที่มี่เขารับเป็นนี้มีกติกาแล้วใครมาเขาก็รับเขาอยู่ คิดคำพี่มามันก็มีเราแต่ก็ดีเราก็สบาย <c oughs> างกายราบยมนเนีเ่คือเป็นเหตุให้ได้ส่งสอน <c oughs> ได้ทำห้เสียได้ทำอะไรไป <c oughs> แต่กับพระแล้วกับพระจะสอนเท่าไเพราะพ้าเขาก็จะล่งไปหาครูบาอาจารย์ <c oughs> แต่มันเปน็นก็อาจจะเป็นถ้าเรเป็นวิบากของอาง หรืออาจจะเป็นเจตนาของเราก็ไม่รู้ต้รสอนเป็นเจตนาแต่เหนื่อยนะคููสอนคนเดียวสองชั่วโมงสองหัเรื่องแล้วก็ว ส, ออวสอนต้องสอนหลาบยบอดสอนทั้ำๆั้ำๆบ่อยรุ่นนี้ก็มีรุ่นหน่อยน้อยสอน สน็เลยไม่ยมนนสมาเลยระยะสยนัยยยนสือกันเนี่ยเทพดีเพราะว่ามันอ่านได้คนมาใหม่ก็เอาไปฟังแล้ ว, <laughs> ลวฟังแล้วถ้าเกิดสงสัยอะไรอยากจะมาปึกษาส่ตัวอะไรเฉพาะนั้นก็ทาได้เราคืได้สบายนะเาหนี้เข้าใไว้นี้กันเราต้องรู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์่หลาอนไม่มี ฟังแล้วก็หายไปเลยมีขยับเทปมีมมแต่ผ้าเงินที่ต้องคอยจําแล้วก็มีผ้ารูปเอ่ยมามาช่วยกันจําต่อสมัย ก, ก่อนถ้าท่านอาสายการการทาทรทอดข้าวสูตนี้เป็นการปฏิบัติกันในตัวด้วยคือเป็นการสืบทอดกันด้วยสืบทอดคําสอนแล้วก็เป็นการเป็นการทําสมาธิไปในตัวเป็นการเจริญสติไปในตัวเพราะเวลาต้องท่องนี่มันไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ก็กิดก็จะเป็นสมาธิทั้งน้นถ้าเข้าใจคําสอนดีไม่ดีก็อาจจะบรรลุได้จากจากพระสูตที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าแสดง เ, เพงื่อการหลุดพ้นนั้นสมานีนี้ก็เลยไม่ต้องท่องกันมันก็ไม่ได้มันก็เสียประโยชน์ไปอย่างคือไม่มีไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดการท่องกันพระเนมก็เลยไม่ต้องท่องกั น, น, นก็เลยไม่มีพระเนบรรลุธรรมมากเลย เพราะมีสื่อมีหนังสือมีอะไรกันแต่ก็ดีสำหรับคนถอยแผ่ไม่เหนื่อยสามารถทำเป็นสื่อมาแล้วก็จำหน่ายแจกไปตามสถานที่ต่างๆใครที่สนใจหาแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน เนี๋ยี้มีคนททรลาหาหรือมาหาแล้วมาติดต่อนักพร้องเสือเยอะนะไม่ก็เห็นตัวแต่ได้เจอนักเสือพรได้เล่นนั้นเล่นนี้แล้วอยอยากก็ได้เล่นอันนี้คือนักจดหมายมาหรือว่ายังไงเขาได้ก็มาบางทีก็มาด้วยตัวแล้วไม่เจอก็ฝากฝากข้อความแล้วนะที่เขาเสือเป็นน้อยมากบางทีก็ก็ติดต่อไปที่ร้องเพลแล้วติดต่อไปที่สืนอใดได้คุ ก็จะมีก็เาทบางอย่างันมันไม่เหมาะกับสายตาคแบบสาเราะเขาต้องหาเวลาที่สวยที่มีสายตาท แต่ก็คถ้าเข้าใจนะ่ก็ถ้าถ้าามีปัญญาพอที่จะเข้าใจก็คือก็ไม่เป็นไรก็ถ้าัม่ได้มีตกตึกอะไรได้ละแสว่าอย่างไรอยู่เราไม่ได้ขึ้นมาได้เนะขึ้นมาได้จริง ได้ยินวงตาพานะว่าเดือนนี้ไ ม, มมกกนไม่ก่อนไม่กมอ่อนทกลมอดจิตรมาเดือนนี้ถาม<อ>นมากจะไปทีท่ปาชาช่ได้เป็นหมนอก่มีอยาดแง<อ>ไม่หยดโดยขั้นตอนก็จปแล้วครูบาอาจารย์เบื้องต้นท่านจะอบรมพระเป็นหลักเพราะช่วงนั้นท่านยัไม่มีใครเป็นคนชวนท่ามากท่าะยังไม่มีชื่อเสียง เราตอบไาเรามีชื่อมีเสียงเ้วเวลาที่จะตัวเราต้องนสพราะจ่าาใวมใหัวเกาสุด้วยปต้องไปหาแก่หมิวที่ว่าก็มีะมีมาประกเรื่อยก็มีสุดทายจังว่นี้แต่พี่ดาวก็ยงมีใจที่ยงเน ไม่ได้เป็แต่ว่าท่านพอท่านสินแล้วอาคิตท่านเป็นพราแล้วหลวงตาบอกว่าไปดูฤุษ์ิษท่านมีเ็จของหลวงตานิระเร้เ่อนทคลนนศิษตันเนคนทีากแตางกัมว่าท่านจะมีสัญญาอันชา พูดไปพูดไปอะไรงเงียทีไม่หวพูดไม่ทาจิตพูไม่ท า, ท, าทําที่มาลอยลงมายพูดย ง, ย ง, ย ง, ย ง, ยงแล้วแวเลยับไปฟังฟงมจ้างนัวจจัูดัง่นจนะโอ้จรจริงู้ักฟไม่ได้เลยที่นอารย์เนี่ยทางการเนี่ยของสิ่งของท่านเทศของท่านเนี่ยก็แทนทั้งได้แล้วถ้ามัน ถาเราไั่ก็ยึดติดกับพรีร่างกายถ้าไม่ได้ยึดติดกับรอยยิ้มท่านโอ้แใจดำเนียู้ช่าก็บอกนะผู้ใดที่ทำผู้ใดของเราจะายเนื้อทำนี่แดจะเป็นศาสนาของลูกเธอแทนเราเก่าไปทาของท่านก็จะเป็นศาสาเป็นอาจารย์แทนท่านเก่าจะเป็นองค์แทนท่านเกกัน เทธรรมะหรือธรรมะต่างๆนี้แทนท่านได้เพราะเราไม่เราไม่ได้อยู่กัระจากที่เพิ่มแต่ว่าเราจกความหลวงมาแลองมมอให้เราอเทอดท้าไม่อยากจะปฏิบัติเวลาที่ท่านจากเราไปแล้วเราจะหลวงก็ว่าเราคิดว่เราไม่ในที่นี้ถ้าวนถามถามพระเจ้าว่าหลังจากที่พระองค์ อย่างเราไปล้ใครจะมาเป็นศัรพดาวแนนานนทนพระองค์ทุกดวสมบัตทำยีนยที่สถาทศแต่ไม่ชอบล้วนั่นแหละจะเป็นจพดของพวกเธอต่อไปแต่พวกเธาจะไม่อยู่กับสกาดที่เพืนถ้าพวกเธอมีทำมีมีบบ ย, มำำออยี่นาะ้นจากรไดยังมีพฤติกรรมสอนอย่ใงเรื่องนี้ตอม น, นั่งเราลงในที่พื้น เราจะให้ครูในวารการแสมัยที่อาตมาเรื่องศึกษาใหม่ก็ไม่ได้เจอคราาูบาอาจารย์นตัวเป็นๆก็พศึกษาจ า, ากหนังสือธรรมะที่ได้มาการเรื่องนี้มาอ่านก็สนใจก็เสพยมมาอีกถ้ามเีเรื่องนั้นเรื่องนี้โฆษณ า, ายอยู่เราก็อ่านดูเนระาสนใจก็เสพนิยมื้อมาก้ามาอ่านแล้วก็มาปฏิบัติปฏิบัติตามีวิอยู่เราทำมาสิ่ง่ท่านจะ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 ภรรยาก็ผลิตค the ือไม่ได so yup. ้ต่างกับความต่างกัจไม่ได้เวลาเขามาเที่ยวแค่เลี้ยงน้องแค่ห้าสิบปีขึ้นไปภรรจะผลิตประมาณห้สิบห้าปตอนเสรแล้วภรายาก็สาบานว่าจำว่าถึงรักครับใช่ไหมแค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอจะไม่ได้เรา จำไ wow. ด้แต like ่หลักฐานาพูดเรื่องสมาธิเรื่องาเียนเรื่องวิญญาณอะไรตอนหารก็เลาขายเองทํามาฟังแล้วก็พูดสเรื่องกรก็เลยเ็ว่าอยู่ในี่ที่อยู่ในเไขาพากสใน้รกานท่านอาจารย์ครับสนับได้ได้สุ แต่ตอนหลังท่านเจซี่จะเอามาแนตอนนี้ตอนนี้เขาไม่ฟ้ก็เากอนกรอนภักเมื่อกอนอังกาแล้วก็มีเทพคดท่านอาจายที่านตอนนี้พระขนาดก็มีคำว่ามีที่พโดยการที่มัอยู่กัท่านี้มันจะได้ข้อวักปฏิบัติได้คำนหนึงเนา าาแล้วก็ได้กลังใเพาอย person, <g receptors> ู่ในกลุ <source> <c oughs> ่มท <leadership> ี่ไปฏิบัติแล้วมันช่วเสริมกันถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่ปฏิบัติมันจะทำให้เรบเพราะเราปฏิบัติกต่เขไม่ร้วชั่างนี้แล้วอดข้าวเย็น่ขนไม่รข้าวกันบบ มต้องแบบเนักเรียนเรียนห้องทิงกันนะฮะก็ต้องเรียนจะได้ ก, กันช้วยกันดึงถ้าเราต้องดึงกันไปได้แต่ถ้าเราไปเกิดนอเมริกาแล้วเราเป็นนเรียนเปรื่องคนตายแล้วกจะเสกเหมือรังต้องเรียนในระบบการศึกษาของเากเรียนางเชนนวดเช่นกลมกับเราเงี้ยเราไม่เรียนเราแบบสบายสบายเราทำไม่ได้เราเอาสิ่งในกาม า, าเป็นนาฬิกา เขาชาาจะมีมีภาษาที่ต่า้อา่เหนทางโลกถ้าคุทามนี้ช่นี้คงจะรู้จักผ้าขนตนเยะแยเลนะ้วก็มีเครื่องก็มีตางาเสอมีาผ้าอะรกันแตไม่มีคำามก็มี ความเหนยยล้วก็้าเปตขึ้นาที่ไม่ได้ประโยชนาติาประเทศเราเชื่อมีธรรมสารีันท่านก็เช่อเพราจูนาสาวจูใจดับมดูวง่มนี้ท่านมีกถิหาด้วยเป็นพระอริยะสุริยมรรคมากมากพอไมองเว่ามันก็ยึใจได้ช่ เราก็ต้องคอยเกาะติดกันกสบายกันน้อยประมาณแล้วก็ใครคือเขามีการปฏิบัติมากเป็นเดือนไม่ใช่มาแต่เฉพาะเช้าอยู่เก็ไม่อยู่ประจำางสามวันห้าวันม้ากต้องขยับขึ้นไปแล้วแหละของปีแล้วยังไม่ได้ดึงอะไเลยไม่ถสายด่าถ้ามีก็มีกัน ท่นนี้เราเป็นเขาข้าอยู่ขณะนี้คุกเจ้ท่านมงอยู่ท็นยังไม่สามารถเห็นว่าฝุ่นังกรไม่านได้เลยเราก็รู้ว่าเราไม่ไม่ไปไปไปไปไปนี้แหละว่ามันจะเหนื่อยเป็นหลักแล่ายไปตามเรื่องของเขาโอเคแต่นราใส่สถานที่อยู่่นี้ เขาก็ไม่สนใจสถานที่เหมือนอย่างนี้เนะมืดมืดอะไรเงี้ยเขาชอาวัดถูกชอบสร้างมี่สร้าอยๆ่างนี้แตมาใช่ไมัว่าเราไม่ไปตลาดข้างล่างฮ่าฮ่า่าฮ่านี่ก็า่ายตอาเาต็นกว่าไหมเดี๋ยวมาจะทีดีด้วยกัน จำองขไปโคราชก็เนี้รคนนอรคนนะอบครัวเราขแบบ่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไ่ใชใไ่่ไม่ไชไใ่ไม่ใม่่ชชมไ อะไรนะเหลืออาาเย่เียวไลมบับนอา่าเี้้ลอันนี้ทไม่ดีสึสมาธิอปฏิบัติจอดมากอดเทท่านเข้าไปพร้อมงประมาณประมาณนั้นไม่ได้หนอนด้ไหงไปเล่ะ ดูแค่ขึ้นจันดัดเรื่องน้ำสนมาให้ไปจันดังจันดัดเราเดินกันาขึ้นจันดัดแล้ว เรไม่ก็ชอบสังคมอะไรม่ก็หายเดียวเจอใครให้ น, นั้ตามนิสายนะไ่หลายที่อยู่หมดใครที่ว่าไม่ก็มีพันธะมีการมีการต่อไปยาวเดี๋ยวก็มาหาเราเราก็ไมาหาเขาหาเขาเขาก็มาหาเราใช่เหมือนองันเนอะท่านก็เห็นพวกเราไปเราเราไปไหนเราไม่เคยกลับไปนะหมดที่ว่าบั ว, ไปไปวแล้วก็ไม่เคยกลับไปไปอยู่วัดตาแล้วก็ไม่เคยกลับไป เาอยู่ที่ยานี่อยู่ตูก็มันเสยปากกันหายล้วไปเลยแต่เราเนมั่นตจเราไม่เคยับไปมั่นใจเลม่เคยเลยเราอยู่สองหกยี่สิปียี่สิบสี่ปีแล้วเาย้วไปเลย เขาใครจะถาวายอะไรนะครับไม่ใช่เขต้องมาอะไรกับใครพี่จิวไม่ถามเลยันเนี้ยคำถามเมื่อครา้ที่แล้วอีกครั้งเลยพี่จิวอ่ะผมจำได้แล้วคำถามอะไรพี่อ่ะ เรื่องกรรมอะกุ้เรื่องลูกเดือนบริหารบริหารกรรมก็้อยตัวแล้วลกก็ต้องมาวัดอยู่เรื่อยๆมาดูแม่เขืไม่ใช่ดเอ็โดนองูกรเียบอกว่าอยากจะลูกมสาท่านจะถึงจ้ลูกใหม่ไยงงตไม่เกิดเพราะว่ามันเป็นเป็นวิบากหนกับภาชนะเราไม่มีภาชนะที่จะรองรับธรรมะ เ, นนเนนอข้ากับราลี่มากระถางกันมันเป็นมากระยะแล้วก็คือแต่ม า, ม า, ม, ามาเจอกันแค่นั้นเองมาขายอยู่บ้านเดยวกันแต่ควารู้สึกไม่คิดมีต่างตงฟ้ากั บ, บุญนมันมันช่อยไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าหน้า ข, ของภาษาเรยบหรือของพระ โยกเวลาก็เปนไเวก็ไม่ได้ศรทธาในาสลามันเป็นมันเชื่อเวลามันเรื่องของการศากษาคุณดาราเวาใรึกามากมากมยก็จะตรจัดใจว่าดีใจเราฉะนั้นไม่ตองคิใจเราไม่ได้มายํามว่ปล่อยตาลเลยนะแล้วก็ดีลนไปแต่นั้นก็จะลื่นไปต่อจัด ได้นอนก็ไปสื่อององไฟแล้วก็ห้าเาไม่ได้เพะเราไม่ได้ทราบว่ามีสาบนที่สืขึ้นเ้าใจเขารักสิอย่างนั้นเขาก็ต้องมาหาสิ่งานั้นมันทำใจยากเขาโยไปคาม่าเรียนเชืาว่าเรามีกรรมหรปามีกรรมเก่หรือเปล่าย่าเวก็าม่คิดแต่ว่าไใครที่ ดูแลการทำหรือว่าทำไมรู้ว่าคนนี้ทำกรรมไม่ง่ายเลยไปต้องทัตรนี้ทำไมเนี้ยมันเป็นนัจินายทมพวกเรานี่มันเป็นนินตายเรามองไม่เห็นถึงการเกี่ยวข้องําพันธ์กันของของกรรมและวีบาแต่พระพจะท่านท่านเห็นอย่างแต่ท่านรู้ว่าพวกเราไม่มีทางที่จะรู้ได้ มันแต่ต้องเชื่ออย่างเดียวแล้วปฏิบัติใจแล้วมันเป็นอย่างี้ต้องเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้เขาความจริงมันก็เห็นอยู่มันเป็นอย่างี้อย่างเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมาให้เขาเป็นอย่างนได้ยังไงเขาเป็นส้มอยากจะให้เขาเป็นกล้วยมันก็เป็นแบ่นี้แล้คนเรานี่ถึงแม้จะมีรูปร่างต่างกันแต่ใจมันต่างกันใจเสกใจมนุษย์ใจ ใจสุรกายใจนรกใจเวราสายใจเทพใจคนใจอริยะนันต่างกันร่างกายเหมือนกันการใช้จอมเหมือนกันแต่พุณจิตคุณธรรมของแต่ละคนนั้นต่างในเม่อเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเรอยู่ในแนวเดียวกับเราเพยายามดึงมาอย่างไรมันก็ไม่เหมือนมันกั่งแต่ยัน ใส่ไปในขวนผสมกันแล้วเขย่ามันยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่เรียนเรียนก็ต้องแยกออกงานมันก็วิ่งหาน้ำน้ำมันมันก็วิ่งหาน้มันคนชอบทำบุญก็จะวิ่งเข้าหาคนทำบุญคนชอบเที่ยวก็จะไปพักคนชอบเที่ยวมันด้ไปครับแต่การคายาที่จะสอนที่เดือนเดียวเขามาก็ดีทีแต่ว่าอยากไปทุกกับการทำอยากไปหวังผล ก้าวเท่าไหร่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำที่อย่างนั้นก็จะมีความสบายใจไ่ยกเหอนเ <c oughs> ย่างที่พี่เว่าการเปล่าที่ที่เราจะต้องทำของเราคืออยากจะได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้ <c oughs> เรามองไม่เห็นไ่คือทำของเร า, <c oughs> เ, ราเราหลงเรามืดบอดไม่คิดว่ามด้านนี้มันกัเซ เรอยากจะได้แล้วก็เอาให้ได้อยากจะหเ็อยากจะให้เขาเป็นให้ได้แต่เขาไม่เป็นป น, ปนี่คือู้ัใจน้องว่าไอ้ใก็กลัวว่าถึงว่าลูกพูดกับพ่อแม่ไม่ดีแล้วเกงว่าลูกจะบาปกรรมเลยใจ่องเขาทุกข์กลัวกนแล้วหนิก็ไปเจอยังไงเขาจะทำะพ่อมันเป็นสันดานเป็นนิสยัยอไรเ เวลาเขาไม่ขอใจขึ้นมาเขาก็จะพูด เ, เ, เราก็เฉยๆก็แ้กันคือส่วนของเราเราไม่อยากไปโกร อ, อยาไปมีอาฆ า, าตไยบาศุเกศเขาเราก็จะเป็นพระขึ้นมาถ้าเราให้อภัยได้จิตของเราก็จะสูงขึ้นส่วนเา้าเขาจะรู้หรือไ ม, ม่นั้นก็มันก็เป็นเรื่องของ ความืดบอดกัความสว่างว่ามันมีมากน้อยเท่าไหร่กลงวันนอง้ามีแสงสว่า ง, ง, างล้นอดเข้าไปได้เาอาจจะเห็นว่ามีแม่ที่ประเสริฐและโลกโลูกเจเลยขนาดหม่อ่หนไม่เคยโกรธแท้นโกรเคืองหนม้มีแต่ให้อย่างเดียวใครก็าอาจจะหรือว่าเขาจะต้องไปเป็นแม่ซะก่อนแล้วไปเจอลูกที่เล ว, วเอ่ะเขามือ ทัทั้งก็อย่างนี้อย่างในกรดีของพี่ก่างนี้พูดเขาก็ไม่ได้เข้ามาทำ<ม>แถมยังพูดไม่ดีกับแม่มชีวิตเขาก็เหมัอนจะยิ่งทำกรรมอะไรซับซ้อนลงไปอีกคือบุญก็ไม่ได้เพิ่มแถมกรรมก็ธรรมะที่เหมนนี้หรือเป่ามันก็วนวีนอยู่ในในใ น, <ม>ในวงจรขอ ง, งกรรมของบาปมันก็จะลงไปลงไปแล้วก็ลงไปใช้กรรมนั้นเ่อห ม, มดกรรมนั้นกลับขึ้นมาถ้ายังไม่เปลี่ยน เปลี่ยนิสัยก็จะหมุนก็จะสร้างกรรมอแล้วก็กลับไปใช้กรรมกรรมนั้นอีกเกจะทิเกเกจะจ ะ, จะได้สุดถเถะนะถ้าได้จุดถักเถะแล้วบอกเอสิ่งที่เราทามานี่มันไม่ดีเลยนีืว่าเห็นคนเดนที่ก็ทําดีแล้วเขน่าน่าเคารพวิสัยน่าเอาเยี่ยงอย่างก็อ า, าจะเปลี่ยนได้ต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอด คนคนดีมาแวมามามาเสียทีหลังก็ไคนดีตอนต้นแล้วเอ้เสียตอนต้นแต่ไปดีตอนปบางคนก็ดีไปตลอดคนคนก็เสียไปตลอดก็มีหลายรูปแบบที่เออเ็กเนาะน้องจิๆนี้เขาก็มีาแล้วก็คือเป็นนัการเมืองจริงๆได้ต้องมีอุเบาต้องความคแบบนี้มันยิ่งทำให้เราค เป็นม่จชาทิฏฐินะร้บเขาไม่ใช่ลูกเราเป็นเพียสมมติเป็นลูกผ้าวมาประมาณ2ี่สจแล้วลูกชายก็เลยพูดว่าพ่อกับแม่เข้าว่าไม่ไดมีกันเป็ี่ยนใจแ่ วันนึงค่ะี่ลูกสองคนได้มาบัม่ได้มาปฏิบัตแล้วก็เย็นขึ้มีความเปลี่ยนแปลงการชีวิตประันค่ะมันเป็นลูกลกก็อยอนแล้วก็เปลี่ยนไปผู้ชิานนี้ถบอกว่าบางครังอยู่ที่่าเพราะเรเป็กันต์แด้วยกันถ้าเราเ็นแปลรู้จักผ้ประกันเนเวลาคือเวลาออมาเท่าบัียเท่าประมาณสาเปอร์็นต์เป็นลูกจะตนวันนี้เท่าไร่บาทเดื เพราะนั้นก็ต้องให้โกาสเวลากงวต้องบัตลูกงนะคุณแม่ถึงทบตดใจ่มไ้เตยาต่ถงจุ่ม้พ่อวัดมาบวนครับมสอนด้วยสอนสอนด้วยวาจาไม่ไม่พอต้องสอนด้วยการกระทำเหมือนแม่ปู่สอนลูกปู ให้ลูกเดิมตรงๆกับตรงหน้ากันเดิมน้ก็ยังโมโหโทรโวเวลาให้ลูกทําอะไรไม่ได้ดังใจก็โวลูกอย่นี้ลูกมันก็ไม่ศรัทธาในส่วนในมันคือยู่ที่การสั่งสอนเขาว่าเราสั่งสอนไม่ถึงผู้ศรีการที่จะทําให้เขาเกิดศรัทธาเกิดการเชื่อจะทําให้เขาต่อต้าน พระพุทธเจ้าในท่านญาติพี่น้องศรัทธาท่านมากปฏิบัติตามท่านเลยแม่เลี้ยงก็อยากจะออกข้อเดือดรูปก็ออกเดือดพก็จะระลึกศรทัทธาแล้วถ้าจบพระสารีก็ได้ระลึกรัทธาเพระเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะเชื่อฟังจะปฏิบัติตาม ในผลที่ปรากฏขึ้นมามันเป็นเป็นเครื่องยินอย่างในความเชื่อในความดีงานของผู้สอนงนผลที่เราได้จากุ่งเราเป็นไงแสดงวาา่านี่แหละคือผนงานของการสอนของเรามานก็ต้งรักกันมาดูตัวเรามาดูตัวเราก็เริ่มดูตัวเราแล้ว <c oughs> ส อ, อสอนตัวเองยากแลย้ยสอนคนอื่นย่งยากเลยเพราเราเรายังสอนไม่ได้แล้วเราจะ็นสอนเองได้ยังไงหลวงตาเวลามีพระที่จะไปเผอแค่ไปเป็นครูพนักงารย์ประกาศลาท่านต้องบอกถอนตัวเองก่อนเราต้ <c oughs> <c oughs> องไปสนคนอื่นสอนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วไปสอนคนอื่ สนเราดีที่สุดเราได้ประโยชน์คน็มที่เลยสอนคนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์แต่เราไม่ได้ถ้าเขาได้นะถ้าเขาทำได้เขาก็ได้ประโยชน์แต่เราก็เหมือนเดิมเราไม่ได้นะเราสอนเราให้เราได้ประโยชน์สอยให้เราหลุดพ้นก่อนเมื่อเราหลุดพ้นแล้วทีนี้เราจะทําอะไรจะช่วยใครมากมไหมอะไรเราก็ไม่ขัดใจเมื่อเราได้เสร็จงานของเราแล้ว งานที่จําเป็นเราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรามานของเรายังทำไม่เสร็จบ้างมัวแต่จะทํางานให้ทักผลิตจะเสียเวลาเพราะชีวิตร่างกายของเราจะจะน้อยลงไปเรื่อยๆกำลังวังชาจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วการที่จะปฏิบัติให้ตนเองได้หลดท้นนั้นก็นจะยากขึก้นไป่อนี้ังนั้นสิดแรกที่ต้องทาก็คือ สอนตัวเราเองกปฏิบัติตัวเราให้หลดพ้นกแล้วลค่อยไปสอนไปช่วยช um. ่วยเองตามกพรกพเจ้าหมวจตัไปสั่งสอนทังเดือนนะพระองค์ม <F at ical memory> ่ตักรู uh ้ตอนนี้ก็ยังตัดอยู่พก็ยังตัไม่ถึงไหนก็ยังไม่มีจัดขนาดเพราะสอนได้อย่างมากก็แค่ข่านขั้นชายงพระพุเจ้าตอนนั้นก็ได้แล้วตามที่บงเพอยู่ตามแนวทางนี้ท่านก็ได้ฌานแต่ท่านไม่ได้ยตัสนา ถ้าไม่เห็นไตรลักเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแต่ไม่เห็ น, หนอ น, นัตตาอนั น, ต, นตานี้เป็นตัวที่เห็นยากที่สุดแต่โลกทุกตัวในโลกนี้เชือ่อดาวไม่เห็นเลย <c oughs> เห็นอนัตตาเท่านั้นเห็นว่าตคือตัวเราของเราเมื่อมีใครสอนต้องต้องคิดเองคิดดูขนาดไหน เหมือนกับคน ท, ที่ว่าโลกนี้มันไม่แดนคนส่วนใหญ่สมัยก่อนก็คิดว่าโลกแดนนี่เ น, นี่ยพวกอานีระพวกคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วๆไปไม่เห็ น, นแต่อาชรีระทางธรรมนี้สำคัญกว่าอานีระทางโลกก็กลายเป็นเงินท่าของกิเลสเงินท่าของความือนกัน ถึงแม้จะเห็นความจริงของของโลกกระทา่าเห็นความจริงของโลกแต่ก็ยังถูกพิเลศหลอกเอามาใช้เอามาให้หลงให้มายึดให้มากดให้มาทำร้ายกันเช่นพลเรศอาวุธต่างๆก็มาก็มาเพื่อทำร้ายกันแต่ถ้าเป็นอริยะทางธรรมแล้วก็จะบทเรื่องตอนเองให้หลุดพ้นจากความทุกแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้หลุดพ้นต่าง เพราะคุณของพระพุธทธเจ้าไม่เจถึงถึงนั ก, น, กนักประมาณไม่ได้แล้ววาสนาของเราที่ได้มาเจอพระพุธทธเจ้าก็นับประมาณไม่ได้เหมือนกันได้ ม, เจจมาเจอพระพุทธเจ้าเการได้ปฏิบัติก็มีคุณนับประมาณไม่ได้เหมือนกันที่เราจะฉกชวยเอามาให้เป็นของเราหรือไม่ ก็ยังเสียดายกับความคิดเล็กๆน้อยๆสปีนล้วน่าจะตัดได้เลยยะพอครั้งนี้ติดได้แล้วปล่อยปลักออกไปขายได้แล้วก็ดูครูบาอาจารย์ตัวเป็นตัวอย่างท่านมีอะไรท่านไม่มีอะไรเราก็ต้องไม่มีอย่างนั้น ท่านก็คนอย่าเราเราก็คนเหมือนท่านท่านอยู่ได้เราก็ต้ออยู่ได้ไม่ได้เรมามากไม่เลยไม่มีทอทไม่ตายไม่มีแอร์ไม่ตายไม่มีที่อาบมันร้อนไม่ตายน้ำอุ่นไม่มีผู้หนาๆนอนก็ไม่ตายนอนทุกับเปกับพื้นไปได้ ทำดูแลเราจะได้สิ่งที่ดีกว่สิ่งที่เรามีอยู่ไอสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นตัวฉุด拉หรือเหนี่ยวร่างเราไม่ให้ได้สิ่งที่ดีขึน้นเลยีวิเ็จที่พระพุทธเจ้านะพระอนุญาตเจ้าได้ได้ได้รับได้มีเพราะเราต้องได้ทั้งสองอย่างไม่ได้เลยของตรงศรีภาพอยากจะได้อย่างนี้ก็ต้องตัดอย่างนี้ไปอยากจะได้ ความสว่างก็ต้องตัดทางนี้ไปเราจะได้ความสุขทางธรรมก็ต้องตัดความสุกข์ทางโลกไมีคนก็ทำกันได้องค์ธรรมจะทำกันไ้คิดให้ดีนะเพราะว่าถ้าไม่าำมีนจะได้กลับมาเจออย่างนี้ไม่ต่างเจอทั้งศาสนาเจอทั้งการนี้มาเป็นอย่งนี้เองมันไม่ใช่จะเป็นของที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ค่อนข้างถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ไม่เหมือนกับนต้นไม่ได้าอไรย่างเงี้ยลองทำดูเถลองทาดูได้ยังไม่ต้องทำแบบสตาราทเปดเป็นเลยขอทาสักเดือนหนึงแล้วข้าวพรานี่สามเดือนนขอลองทำดูปิดทีวีปิดแอร์ปิดทุกอย่างถือศีลแต่ดู้วสามเดือนดูที่ทำรู้ว่าจะทาได้หรือไม่ได้เพิ่ม้อ เนี่ตอนนี้ถ้ายังได้สามเดือนแค่พิ้งละวันก็พอวันท้าก็ถือถินงแตกถ้าไม่สะดวกวันท้าก็เอาวันไหนก็ได้ที่สะดวกที่ไม่ติดงานเรียงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาวันนั้นตอนทีนี้คนเข้าตัวมาถามว่าอคือถินงแตกนี่ภาษาสิทพูดยังไงเพราะก็ว่าเขามีมีเขาถือถิ่งแตกแล้วเขามีคนเชิญก็ไปมาเลี้ยงพระอาจารอธิบาย ชาวตางชาติว่าใช้ภาษาใช้คําว่าอะไรก็อบอกเข้าไปนี่คนที่เขาอยากจะปฏิบัติถงขึ้นเลยคนที่ก็มีฐานะสึงมีตําแหน่งถึงถึงมืเยอะก็การเพื่อ แ, แต่ว่าเขาไม่ไม่ประกาศให้คนอื่นรู้ทั่งนี้พยายามทำปฏิ บ, บัติเงี่เงี้ยบองทีคนอื่นรู้แล้วบาทีมันก็ยุ่งยากเหมือนกัน อางทีก็มีมาามาระจญให้ระจญเยอะรู้เราไม่กินเหล้ามันก็จะเอาเหล้ า, ามาล่อเวายเป็นแพงๆมาให้เาราไอเวลากินนี่มันไม่ให้มาหรอกพอรู้ว่าให้มาต้องกินแน่ๆถนะวายของมันไม่ถวายอะไรเอาที่หนูมันก็ไหวไปแล้ว แต่าพเดียวไนออาจานนะวันนี้เจ็ดเนเอนลสวเอไมเขาไม่ได้หรอกไม่ะด้เขาไม่รู้เรื่องของเราเดี๋ยวอกีหลังเจนเจ ดีใจแค่มีแดดหมดเลังมาทกมาทาอเมริกามาอยู่ม่นานเป็นไงของพ่มานี้พอดีบอกว่าจะมาก็เลยมีโอกาสคุยกันแต่ต้น ทำไมเด็กๆทเรื่องม่สำนึก่กเข้ามาฟังท่านอาภูกลับไปชงเดี๋นะคะเพราะตอนนี้ถือถึงแต่เรืองของแต่พยายามท่านพยายาโกนคือสมควรจะของโรงพิมพ์ฝากไว้คุณแม่เขาลออยู่ในร้านากปัจจัย็ด้สองทันยามหอ ่ที่ไหนอยู่ราบาลทีหนนหะค่อคะค um, so ุณ้าวะก็เพราะว่าตอนนีงคีณพ่อเรามีภารกิจอันใหญ่มากมันก็เลยนานหน่อยก็หาเวลาทำให้มาอแต่งานทางโลให้น้อยลงแต่งันกีจำเป็นก็ตัดมันไปได้ได้ม่น้อยหน่อยไม่เป็นไรเขาาซับภายในดีกว่าเป็นชาติซับภายนอกถ้ามีพร้อมคุนพอใช้แล้วก็อย่าไปโลกกับมัน เอาเวลามากำธุระด้วยกันถ้าได้อัพภายนอกมามันก็อ เ, อเอาเอาเงินไปใช้ก็เสียเวลาอีกเสียเวลาทั้งหาเสเวลาทั้งใช้ถ้าเราไม่เสียเวลากับการหาแล้วก็ไม่ได้เสียเวลากับการใช้เราก็จะมีเวลามากขึ้นนะ แม่ลูกคุณแ้่คู่คู่หรอะเทศอะไรเกี่ับแม่่เราไม่ดีสองมือเรียน่นหไปไหนรไปไหนเรีนทาอาจารย์ไปเรียนต่างประเทศต่าประเทศไหนอเมริกาใ้านไหนไม่ทราบหา ไปเนี่ยคือไม่ใช่เอฟเอฟซแลกเปี่ยแกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเดืนเดียวแค่ปีห่แค่ปีหนึ่งไปมอห้าไปสิงหาต้องกลับมาเด็กที่มาสำมุอที่วัดเาล็อกไปมาคนเขาไปอยู่ที่โอคลาโฮมาเานอยู่ที่ชิมเมอรีชงหยิงเขรียนชงหยิแ่าษากฤแล้วก็เ้าก็ไปปนึงเลือกไปทาโซนลัดลัดรอชงตันหนไม่ทราบจได้ยังไงนะคะ เขาให้เลือกเพื่อฝใช่เขาให้เลือกไปเลือกไปแต่ต้องรอขอที่เซสสเตจเลือด DC รอที่เซสสตจสเตจสเตจสตอนนั้นก็ดูเป็นตาเป็นเขาเยอะก็มีอยู่สองสามเมืองทางโมซิล่าเท่านั้นแล้วแต่ว่าต้นนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่ทั้งหกแต่เด็กๆแต่ก็ไม่ชอบอาจจะชอบแสงสีเสียงอยู่ดียว Get s t a r t e ไปฮาวิลูไปอะไร ให้แบบนี้เพราะให้มีสติกมากขึ้นก็ตั้งสติเรื่องนะตั้งสติเรื่องอย่าจะคิดมากไม่อยู่กับสิ่งที่เราเรียนก็ได้คิดแตบเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้นะอย่าไปคิดแต่เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆได้หัว เขาบอกว่านักหนึ่งถึง999เกือบจได้900ลองรับไปก่อนก็ได้รับไปนักพื่อทำวันละวันละ15เรีนแน่รบไ้วจะเรียนมักจะเก่งขึ้นหลแต่พี่เขาไปเรียนมื่ัที่แล้วแม่เขาจะให้มาอยู่วัด7วัน อา้ิตย์นึ่งมีเจ็ดวันอาทิตย์ที่เจ็ดวันนงบนนั่งเรียนนั่งว่าพระนั่งสมาธิที่นี่อ่ะอะไรร่ก็มาด้วยแตม่ทำอะไมาลูกก็มาแม่มาด้วยแม่แต่านแจะมีสมาธิดีก็ได วันนี้นลวงตาหลวงตาท่านอยู่ที่บุรีรามอยู่นะแค่จังหวัดตอนนี้แค่มาเขาใหญ่ตนนีสบายเลยาเป็นหวัดนะบัีข้าสิบสี่ีมากมันก็สู้โรคภัยแค่จ็งไม่ไหวมันไม่คอืนเอธรรมชาติมัน อายุน้อเนี่ยมันถ้ามันจะดูดกันให้อยู่เกาะกันแต่พอมากๆแล้วมันจะแยกกันมันจะไม่เกาะกันแล้วมันจะใบ้ยกันแล้วมันจะไปคนลทางน้าว่าอยากจะไปตัดไปสู่น้ำดินี่าอยากจะกลับไปสู่ดินนี่ก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นดินน้ํำลมไฟทั้งนั้นดี เลยคนณะทำบาปเหมือนกันรวมตัวกันแล้วก็แยกจากกันติเตนี้ทิ้งไม่นานเข้ามันก็สื็จทางไปเสร็จแบบนี้ทิ้งไวเดี๋ยมันก็ตายเป็นสิ่งตัวเองเป็นธรรมชาติร่างกายไม่มีความสำคัญอะไรือคัญที่ใจตัวใจกับฐธรรมะนี่เปสิ่งที่สำคัญถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วเราจะเฉย าการเสี่ยงขอ ง, ง, ขอ ง, สงเสิ่งต่างๆเลยถ้าเราคิดอยู่เรีเร่อยๆเจริญอยู่เร่อยๆมันต้องเกิดมันต้องเป็นเราใจเราจะไม่ขัดขืนแต่ถ้าเราไม่คิดนี้นพอคิดถึงมันทั้งทั้งทั้งแรกมันจะกดขืนแล้วมันจะไม่กล้าไม่ไม่อยากจะคิดยิ่งไม่อยากจะคิดมันก็ยิ่งต่อต้านเนี่ยแล้วยิ่งต่อต้านเวลาเวลาสิ่งนี้สิ่งที่ไม่อยากจะคิดมันปร า, า, า, า, า, ากฏ ข, ขึ้นมายยิ่งลักไม่ได้เลย แต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเหมือนแบบที่พระเจ้าสองพระองค์ยอมให้เจริญมรณะนิสตุทุทโธหายใจเท่าออกหายใจเข้าก็คิดถึงความตายของตัวเราและของคนอื่นก็เป็นธรรมดาหายใจออกก็คิดว่าคนนั้นต้องกายคนนี้ต้องกายจากเราหรือเราต้องการจากเขาคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาไปมันจะเฉยๆมันจะยอมาักับความจริงนี้ แล้วก็ไม่คิดถ้าไม่คิดมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ผลที่มันกระทบต่อจิตใจมันจะแรงมันจะสร้างความคิดขึ้นกับเรมากแต่ถ้าคิดแล้วผลกระทบมันจะไม่มีมันจะเป็นเหมือเปล่าเป็นเร่องธรรมดานั้นต้องเจะิญอยู่เรื่อๆนะมอนานก็จิมานเจริญอยู่เรื่อยๆให้เลนถึงเยอะ เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตามยไปไม่ได้เรามีการพักผ้าแก่ต้องเป็นธรรมดาลงลงพล้นจากการพักผ้าไนไม่ได้คิดอย่านี้เรื่อยๆมันเอาว่างๆมันจะคิดแต่ละคิดอย่างนีนนงนน้แล้วมันจะเป็นที่พึ่งทางใจมันจะทําให้ใจไม่หวานไหวไม่เวียนวายไม่เด็ดวาย ต่อการนาการไปต่อการแารต่การเกิดการตายของใครก็ตามของเราก็ตามงี้ของคนเองก็ตา่างตามหลงมันทำให้เราอยากให้เขาอยู่ไปนานๆซึ่งมันขัดหลักความจริงอะไรถ้าไปขัดความจริงแนละ้วมันก็ต้องทุกข์ถ้าเป็นไปตามความจริงเห็นตางความจริงมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ ถูกต้องเห็นตามหลัคธรรมจริมันก็ไม่ทึกมันก็ไม่มีความอยากที่จะให้เป็นอย่างอื่นเป็นก็เป็นเป็นก็เป็ น, ปนอะไรางนี้เลยพวาเราตายกันมาไม่รู้อย่รอบนะั้นน้ำไม่ท่วมจําไม่ได้กันตายจากกันแต่ละท้งก็ร้องห่มร้องไห้กันแล้วเดี็กก็เลยเมึนไปไนงะคนที่ตายจากเราไปกี่กคนแล้วเนี่ย เวลาเขาตายใหม่ๆก็ร้องห่มร้องไห้แล้วพอผ่านไปก็เลยงนแนแล้วก็หาคนอื่นมายึดมาแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้ใหม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่า่ นี็กันมาบอกแล้วมันจะเบื่อไม่กันใจแต่ธรรมะท่านบอกต้องฟังซ้ำๆไม่ช่รอแต่ไม่ใช่ท่าไม่ช่หน้าคนธรรมะน่าวไปต้องขันแล้วไงมีเจ็ดชั่วโมงฟังให้เบื่อเลยวเท่านอาจารย์อายมากขึ้นเกงใกล้ใกล้ตายท่านต้องเปลี่ยนใจอยู่ถึงตอนนั้นได้หป่ อย่าพูดอย่าพูดอย่าถา ม, ถามทางทฤษฎีเดี๋ยาถ้ามีคำว่าท่าแล้วมันแสดงว่าเป็นทิกีส้นชิงลอดเขาหายถูกเลยถูกไอ้คำถามนี้พีต่ติวนี่คนที่ได้ฟังได้อ่านหนังสือเนีะได้ความตาสว่างเยอ ะ, ะ น, ยนะรื่อง๋งติ๋วรู้อหมฮะเยอะมากเลย ได้ประโยชน์ด้แต่ตัวเองรได้ปนหรือปล่าได้ก็วางลงได้เยมากขึ้นเม่กคอดึงสู้ลบกัทุกคนก็วม่อวางก็มาก็มีมีแม่คนหนึงมีลูกคนที่เดินทาเข้ามาหาลายเริงีย่างบอกว่าลูกอยี้ไปเที่ยวไปถึงเกาะสมุนนะ ก็ปลวอยเขาไปมากเด็กนึงอยู่ในวัยที่ก็อยากจะรู้อยาเกเห็เราตั้งให้คุมคุ้มกันเ่าเองว่าอย่าไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเขาทาแล้วก็เป็นห้ามเราไม่ได้เราไม่ได้ถ้าเราพ่อเขาตลอดยุ่งสืบเพื่อเรไม่ได้หน้าที่ของเรามีแต่ให้คุมคุ้มกันเขนเองให้ทำเรู้ที่ถูกต้องว่าไม่ควรจะทําอะไรถ้าทําแล้วก็แม่ไม่ได้มาทุกข์ด้วยหน้าไม่ได้มาเจ็บด้วยหน้า ไ, ไ, ไม่ได้เป็นด้วยนะ ลุงจะเป็นคนตันเองเร่าเขาแค่นั้นแหะแต่ถ้าเราไปจ้ามที่ยาชายไปไปกดไปยัดไป บ, งบังคับเขาเนี่ยเขาจะต่อต้านยิ่งห้ามยิ่งยุแต่แล้วเราพูดเนี่ยเขาเป็นคนที่หลับผู้ใหญ่เราเข้าใจพูดกันโดยภาษาพูดกันเพียงครั้งสองครั้งหรือว่านานๆก็พูดเคยแต่สักครั้งหน่งอย่างี้ยไม่มากเกินไป น, นั้นก็ไม่ก่อความรำคาญแล้วฟังแท้ฟังเย็นนีม่มันก็ําคัญ บีเป็นเพราะว่าเราไปสอนเขามากเกินไปจนกระทั่ ง, งเขาเกิดความต่อต้านขึ้นมาในากาไม่อยากจะมองหน้าเราเลย ไ, ไม่อยากจะเจอหน้าเราเลยเจอทีไรก็มีแระดามีแต่ว่ามีแต่ตำหนิเนี้ยคือด่า ว, ว่ามันก็ดีเป็นเพ้าะให้มันถูกาสารทฤษฎะให้มันพอประมาณแต เ, เหมือนกับยายากินมากเกินเกินไปมันก็แท้ยานะ้ แก่นี่ยยาวไม่พอนะ